เราทำมาจนถึงวันที่6กที่เจ็ดก็ยังง่วงยังเหงาอยู่นะเรว่อที่ผ่านมานี่มันเหมือนกับมันไม่ใชความเจริญสติเท่าไหร่แต่เป็นความฟุกนะมันฟุกเป็นบางอย่างทำถูกบ้างทำผิดบ้างนะคือถ้ามันเจริญจริงริงมันก็จะเจริญปกติมันนะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ถ้าบางวันกินดดีบางวันก็นไม่ดีบางวันนี้ได้เองแสดงว่ามันไม่เจริญเหมือนต้นไม้เนี่ยถ้าเราลดน้ําพรนดินอะไรเงื่อนไขมันถูกเนี่ยมันมีแต่แตกยอดแตกใบแตกดอกแตกผลนี่แหละคือประโยชน์ของกางรไปอยู่วัดอยู่กับกลยาณนะมิตรอยู่ อ, อะไรแล้วก็มีความเกรงใจถ้าเราทําคนเดียว ถ้ามันง่วงมันเหงาปานี้เราห้ามใจไม่เป็นอันนี้มีความละอายมีสติสิ่งที่ตามมาคือมีมีเฮริมีความละอายแก่ใจอตุตตปะความกลัวติดอารมณ์แต่ถ้าอยู่คนอื่นทั้งโลกนี่เขากลัวกลัวเจ้าหนายอตุตตปะในความกลัวเจ้าหนาย แต่ความหมายมัคือความกลัวการติดอารมณ์กลัวเป็นทุกข์นะทีนี้คนมีความกลัวเป็นทุกข์ไม่ไม่ไ ม, มีละอายใจก็ไม่ใช่ไม่มีละอายคนอื่นนะไรนี้มีความละอายครูบาอาจารย์ละอายคนนู้นคนนี้แต่ก็ยังดีขึ้นมาหน่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราละอายทุกข์เนี่ยละอายที่จะเป็นทุกข์ละอายที่จะปรุงแต่ง ละอายที่จะให้ความโกรธความโลภความหลงมันเข้ามาในจิตเนี่ยแสดงว่าเริ่มมีสตินะเพราะสติคือความละอายใจมีอดตับะความเกรงกลัวต่อความทุกข์เกรงจะเป็นทุกข์กลัวจะติดอารมณ์ไม่ไม่อยากคิดมันนะ ไม่อยากดูไม่อยากเห็นไม่อยากเมื่อก่อนมีแต่ความอยากเพราะไม่กลัวทุกทุกเกิดขึ้นก็ไม่กลัวเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์กินผลไม้พิษเนี่ยไม่รู้นะว่ามันเป็นพิษก็เลยกินไปเรื่อยๆแต่พอปฏิบัติทำมีดวงตาคือพอมีสติขึ้นมามันรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรทำให้ติดอารมณ์ไม่ติดอารมณ์ คุณธรรมที่ตามมาก็คือขันติความอดทนรู้จักอดทนอดกลั้นรู้จักเป็นผู้แพนะ้เพราะผู้แพ้รู้สึกว่ารสชาติมันหอมหวานเนะมื่อก่อนไม่เคยกินนะรสของความเป็นผู้พ่ายแพ้เนี่ยเรารู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกเจ็บทรมานคิดมาก แต่พอฝึกสติสติมีเอา้าพ่ายแพ้ก็ดีอ่ะมันไม่รู้สึกว่าแพ้คืออะไรเธอรู้สึกว่ามันชนะใจตัวเองชนะสภาวะธรรมที่อยู่ภายใ น, ในความกดดันความอะไรต่างๆความแพ้แบบโลกโลกแต่ความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ภายในคือเป็นการปล่อยวางเป็นการไม่ก่อเวร ไม่สร้างภัยให้กับตัวเองแพ้ชนะเป็นสมมุติเฉยๆความร่ำรวยความสวยความงามเป็นสมมุติของาธาตุของขันสมมุติของาธาตุขันแขนขาตินมีมือเนื้อหนังเอ็นกระดูสมมติฐานะการงาน เป็นคนร่ำคนรวยเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นพระเป็นโยมติดสมมติติดบัญญัติเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติดีเรามีความรู้สึกว่าถ้าเรามีสมมติมันได้ลาบได้ยศได้สลรเสรินได้ความรู้สึกว่าความสุขที่เกิดขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจ เป็นสภาพธรรมที่แตะต้องได้มันก็เลยอยากได้แต่ความสุขคือความทุกข์ขั้นละเอียดคือความทุกข์ที่ยังไม่แก่ความสุขเนี่ยมันจะต้องแก่นะแก่เจ็บตายชาติชรามรณะมีเกิดเกิดสุขก็ตามเกิดทุกข์ก็ตามเกิดทุกข์นั่นคือสุขนะ แต่เป็นสุขที่มันแก่แล้วมันจะกลายเป็นทุกข์เหมือนคนทุกคนนี่ถ้ามีเกิดมีหนุ่มเนี่ยนี่ก็ต้องมีแก่มีเท่าทุกข์ก็เหมือนกันที่เราแสวงหาทุกข์เนี่ยสักพักทุกข์ก็มาลายสลายแล้วก็ดับไปก่อนที่มันจะดับมันก็แก่ก่อนดังนั้นความสุขก็คือความทุกข์ ที่ละเอียดนั่นเองหรือความทุกข์ที่ยังไม่เจริญเติบโตวความรวยสักพักมันจะเริ่มสุรู้สึกว่าจนนะรู้สึกว่าไม่พอความอร่อยสักพักก็จะเบื่อหน่ายความรวยก็เหมือนกันเป็นแบบนั้นแหละความสวยความงามสักพักก็เหี่ยวเฉาไป ชีวิตมันเหมือนดอกไม้โตขึ้นสักพักนะแล้วก็ร่วงโรยไปตามการเวลามันเป็นธรรมชาตินะเราจะชื่นชมยังไงก็ตามถ้าเราหลงชื่นชมตอนที่มันบานชื่นชมให้เป็นให้เป็นคือหมายว่ารีบใช้มันรีบใช้รีบทําประโยชน์ขณะที่มีร่างกายมีแขนขาตีนมือแข็งแรง รีบในการขับขี่ยานนเนี้ยไปสู่เป้าหมายคือไปให้พ้นฝั่งนะฝั่งทางนี้มันเป็นทุกข์เป็นฝั่งโลกียะข้ามไปฝั่งนูน้นใครเป็นผู้เดินทางจิตเป็นผู้เดินทางสติเป็นนายท้ายคัดเหลือความเพียรเป็นบิรยะนะร่างกายนี้เป็นเรือนะ มันกำลังจเจริญเติบโตเต็เทมที่ในวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยรีบทำหน้าที่มันข้ามไปให้ผลฝั่งฝั่งพวกความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราไม่ทุกข์ละถ้าเราถอนอุปทานออกได้เราก็ไม่เกิดเราจะสิ้นการเกิดสิ้นภพสิ้นชาติก็อยู่ตรงนั้นภพ จะไม่มีกามไม่มีกามตัณหาภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาอยากไม่ให้มีไม่ให้มันเป็นฉันไม่อยากให้มันมีแบบนี้ไม่อยากให้เกิดแบบนั้นเนี่ยอยากไม่อยากอยากไม่ให้มันเป็นก็ไม่ได้นะคือต้องอยู่ว่างๆอยู่ด้วยความรู้ตัวเฉยๆพอธรรมชาติจิตเดิมแท้ก็คือไม่มีปรุงแต่งไอ้ที่เราอยากให้เป็นไม่ให้เป็นเนี่ย เป็นความคิดเป็นตัณหานะทีนี้ถ้าจะข้ามฝั่งจิตต้องมีกำลังเครื่องมืออุปกรณ์ในการเดินทางเราพูดมาแบบกว้างๆรวมๆถ้าเจอขจัดพูดให้เป็นหมวดเป็นหมู่จัดกลุ่มก้อนแห่งธรรมก็มี พูดให้ง่ายๆที่สุดก็คือสตินั่นแหละแต่ฝึกสติเนี่ยมันไม่ได้มีเด็สตินะมีมีทุกอย่างเลยมีสมาธิมีปัญญามีศีลมีเมตตามีความอดทนมีอะไรมีอุเบกขามินในนี่เสร็จสับมดรวมลงในสตินะเราบอกว่าสติระลึกรู้เนี่ยมีหมดทุกอย่างเหมือนเรากินข้าวเนี่ยเมื่อกินข้าวกันัหมกินข่าว จะมีทั้งกินแกงกินกับกินผักกินน้ำกินของหวานกินอะไรรวมอยู่ในนั้นเสร็จสับเลยรวมทั้งการจัดระบบระเบียบการนั่งต้องมารยาท ต, ต้องอะไรรวมในนั้นเสร็จสับแต่เราก็พูดแค่ว่ากินข้าวกันไหมเหมือนกันในมาจเจริญสติกันไหมในฝึกทุกอย่างเลยทุกอย่าง ทั้งสติทั้งสมาธิทั้งความอดทนทั้งกิริยามารายาททั้งความสงบสงัดความวิเวกความบคามมดความทนมีหมดเลยท่านว่าเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรตนะผู้บำเพ็ญพรตประพฤติปรมัญชนเนี่ยหนึ่งต้องมีสติอันดับแรกคือสติละนี่ไหมสติ แต่หลายๆจริงๆก็คือมีศรัทธามีศรัทธามีความเชื่อเนี่ยหลายๆคนในเบื้องต้นอาจจะมาคุยกับพระบ้างอะไรบ้างได้ยินได้ฟังไอ้น่นไอ้นี่ก็มีความเชื่อเชื่ออะไรเชื่อที่พวกท่านทั้งหลายเชื่อตัมมาเนี่ยความปรจริงคือเชื่อการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้านัเนี่ยพวกเราเชื่อ ตถาคตโพธิสัต t h เชื่อในการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าว่ามีจริงเชื่อว่าการดับทุกข์มีอยู่จึงมาทดสอบทดลองโดยอาศัยพระสงฆ์พระเจ้าเป็นผู้ถ่ายทอดเป็นผู้บอกผู้กล่าวคลๆว่าคำสอนพระเจ้ามันผ่านจากปากพวกอัตมามาไหมปฏิบัติธรรมนะ แก้ไขความทุกข์ความคิดความปรุงแต่งนะแเราจะเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองสิ่งเหล่านี้เวลาพูดออกไปเนี่ยเรามีความเชื่อความศรัทธาขึ้นมา เ, นเชื่อการตัดสู่ของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยว่ามันมีลึกๆเนี่ยม่นมีอยู่จริงก็เลยมาทดสอบทดลองเออพระพุทธเจ้าก็เป็นคนเหมือนเราเป็นมนุษย์เหมือนเราเราก็น่าจะมีศักยภาพที่จะทำได้แม้ไม่ได้ เซี่ยวหนึ่งของพระพุทธเจ้าก็อย่างดีต้องมีศรัทธามีกำลังมึงไม่ศรัทธาเนี่ยถ้าคนมายังไม่มีความเชื่อมันดำไม่ได้นะมันจะเบื่อจะนายจะขี้เกียจบางทีศรัทธาก็งเงอรอนแคลนมันไม่เต็มที่เนะมันไม่ปักหลักเต็มที่ มีศรัทธาในน้อยศรัทธาหัวเต่าเขาเข้าออกออกโพโปโพนี่นะอะไรกระทบก็ะทั่งหลุบก็ไปแล้วอะไรก็ออกมาบ้างเข้าไปถ้ามันไม่มั่นคงจิตนี้มันก็หวั่นไหวนะมันไม่มีกำลังเขาเรียกว่าศรัทธาพละมีพละมีกำลังไม่ศรัทธาเนี่ย ดูศรัทธาตั้งแต่บ้านมาก็เท่าเดิมนะหรือมีทุกข์เกิดขึ้นหน่อยไม่มีกำลังและไม่มีกาลังที่จะต่อสู้มันต้องมีกำลังนะศรัทธาต้องมีกำลังเห็นไหมเวลาคนได้อารมณ์เนี่ยศรัทธาเขาจะสูงมากศรัทธามีสองแบบศรัทธาประกอบไปด้วยปัญญาเขาเรียกศรัทธายาณสัมปยุตมีญาณศรัทธาที่เกิดจากสติแล้วเห็น เห็นตามที่พระพุทธองค์ท่านเห็นนะเห็นการดับทุกข์มีจริงเห็นความว่างเกิดขึ้นได้จริงในท่ามกลางสภาวะที่เราร้อนทุกข์หนักตั้งหวงตั้งเงาตั้งเบื่อตั้งหนทั้งหิวทั้งอะไรอยู่ๆก็เจอความว่างเจอความปลงความโล่งเฮ้ยจริงๆทุกข์ขนาดนี้ยังมีสุขอยู่ด้วยหรอพวกเซนเขาท่าม ก, ากลางกรองกองเพลิงเนี่ย ถ้าเราเข้าไปอยู่ในนั่นได้เราจะพบจริงๆมันไม่ได้ร้อนมันมีความสุขมันมีความเย็นเย็นที่สุดอยู่ใจกลางกองไฟนั่นแหละเหมือนกันนะทุกมากๆเนี่ยอีกสักพักมันก็จะหล่อหลอมกลายเป็นความสุขเป็นปีติเป็นสมาธิขึ้นมากับสัทธายแบบหนึ่งคือศรัทธา ยานวิปยุติศรัทธายาณวิปยุติคือปราศจากปัญญาปราศจากญาณศรัทธาโดยได้ยินได้ฟังเขาพูดเนี่ยแล้วมาปฏิบัติมันก็ไม่เกิดอารมณ์ไม่เกิดสติเกิดปัญญาอะไรขึ้นมาศรัทธาตัวนี้จะเริ่มหดหายไปหดหายไปเพราะลาพังเพียงแค่ศรัทธาต่อครูบาอาจารย์สอบพาต่อรูปรถกลิ่นเสียงวะเนี้ย มันไม่เกิดปัญญาให้มันยังไม่พอมันต้องทำเองศรัทธาเราต้องปลูกต้องฝังเองพระสงฆ์นักแสดงธรรมหรือผู้บอกผู้กล่าวเนี่ยหรือความศรัทธาเขา็จยแยกลงไปอีกว่าต้นเหตุของการเกิดศรัทธานี่หนึง่งรูขับประมาณิกานะ เอารูปเป็นประมาณสถทาในรูปรูปร่างหน้าตาแขนขาตีนมือเห็นรูปเกิดศรัทธารูปเรียบร้อยสงบส ง, งียมรูปดูดีนะ รวมทั้งวัดวาอาวาสสถานที่ทั้งหลายทั้งปวงรวมกันเนี่ยรู้สึกว่าน่าอยู่น่าอาศัยน่ก็เกิดมันก็จะเรียบรวมรวมรวมมาเป็นศรัทธาเนาะกูว่าอุดไปดูห้องผู้หญิงขนาดไปเดินไปดูนะบางคนลงไปแล้วไปนอนช้าตอนเย็นตลวงตาวันลุกไปห้องน้ำมากไปตอนเย็นไม่ต้องกินน้ำประ น, นะนะ ที่จะสั่งไม่กลัวไว้ไม่ต้องให้น้ำพนะเพราะน้ำปณ ะ, ะคงเป็นเหตุให้อยากเยี่ยวในความเป็นจริงไม่เป็นแบบนั้นนะเพราะท่านทั้งหลายมาวันสองวันท่านไม่ลุกไปเยี่ยวนะคือมันมีความละอายมีความเกรงใจแต่พอมันคุ้นหน่อยเอาไปเยี่ยวแล้วเข้ามาก็ไปเยี่ยวเพิ่งมาเมื่อกี้นะเข้าห้องน้ำมาตีละครตื่นขึ้นมาทาวัตเนี่ยไปอีกแล้วก้องอยู่แถวหน้าห้องน้ำ คือถ้าเราสังเกตตัวเองไม่เป็นมันดับทุกไม่ได้หรอกเราแก้ไขปัญหาแก้ไขอารมณ์เราไม่เป็นถ้าแถวหน้าก็ดีหน่อยหน่อยถ้าแถวหลังไปก็คือจบอยู่ข้างอยู่ใกล้ประตูยิ่งหนักเข้าไปนะคือเราไม่เฉเลียวใจตัวเองต้องให้พูดทุกประเด็นนะต้องเก็บรายละเอียดทั้งหมดอันนั้นไม่เหมาะนะอันนี้ไม่ควร น, นะนั่นหลุดไปทั้งนั้นอย่างนี้นะเนี่ยวมันมันยาก ปฏิบัติธรรมก็ต้องได้ขังเอาไว้มันถึงจะได้ทำไหมขังไว้ก็งวงปล่อยไปก็ไร้สาระคือมันไม่เฉลียวใจมันไม่คิดในตัวเองมันไม่สังเกตตัวเองสังเกตไม่เป็นแล้วจะปัญญามาจากไหน คือทุกเล็กๆในน้อ ย, อยทุกบางทีเราสามารถผ่านทุกได้เราสามารถกำหนดรู้ลึกรู้ดูมันว่าอาการเนี่ยมันหลอกหรือมันจริงเนี่ยจริงกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเราจะไปทุระตนี่ไปในเมืองเนี่ยโอหมันต้องเสียเงินนะเนี่ยเสียแค่น้ำมันรถนะไปเพื่ออะไร ลองไล่ประเด็นจดไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันเป็นความยากไหมอา้าวเริ่มอันนั้นก็จาเป็นอันนี้ก็จาเป็นเออบวกกันในหลายอย่างเป็นความจาเป็นอา้าวไปอย่างนี้ไปก็ไม่ได้เสียอะไรแทนที่จะวิ่งไปวิ่งมาไม่มันรวมหลายอันแล้วมีความจาเป็นที่ต้องไปจริงๆไม่ที่ความคิด ที่มันไม่จำเป็นเหมือนกันไม่ใช่นึกอยากไปเราไปนะห้องน้าเนี่ยมันเป็นความคิดกี่เปอร์เซ็นต์เป็นความจำเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ความจำเป็น น, นี่เป็นนิสัยหมเราแก้ได้ไหมนิสัยอนนี้ถ้าแก้ได้เราก็จะได้นิสัยใหม่แต่ถ้าเราไมา่อยู่ในนี้เราไม่เคยทำด้านมาทำในนี้มาสร้างนิสัยใหม่ที่ไม่ดีอีก มันก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะนั้นคนเรามันฉเฉลียวใจต่างกันฉลาดฉเฉลียวต่างกันฉนั้นปัญญาจึงเกิดขึ้นไม่เหมือนกันไงเป็นพืชชนิดเดียวกันมาปลูกในป่าเดียวกันบางต้นก็งอกนะบางต้นก็ไม่งอกบางต้นก็โตแต่บางต้นก็เฉาเฉาคนมาปฏิบัติพร้อมๆกันก็เหมือนกันรุ่นเดียวกันนี่ ไม่ได้หมายควาว่าจะเจริญเหมือนกันนะบางคนโง่โง่นักกว่าเดิมอีกโง่กว่าไม่เคยมาปฏิบัติธรรมอีกก็มีนะพอมาอยู่ภายใต้ภาวะกดดันเนี่ยเหมือนต้นไม้นะถ้าต้นไหนโตช้าขี้เกียจเนี่ยต้นอื่นโตก่อนแล้วต้นอื่นมันจะคลุมต้นเนี้ยต้นนี้ก็ขึ้นยากเหมือนกันถ้ามาปฏิบัติธรรมข้อหนึ่งข้อสองไม่ตั้งใจไม่รีบเร่งความเพียรอะไรประมาณนี้ สักพักจะรู้สึกว่าไปก็ไม่ได้อะไรแล้วก็มีความละอายละอายคนที่มาด้วยกันคนนั้นก็ตั้งใจเขาได้อันนั้นได้อันนี้ปฏิบัติมีความก็าวหน้าเราไม่ก้าวหน้าไม่ไปดีกว่าคือมันคุมเข้ามันเองโดยธรรมชาตินะต้นไม้ตัวนั้นก็จะเริ่มฝ่อตายขึ้น น, น้อยๆอันดืดเมันกลบแสงทับแล้วมันก็ถูกคัดเลือกโดยธรรมชาติ กระเด็นกระดอนลงไปโดยธรรมชาติมันไม่เข้าหน้ามันไม่ได้โดยเฉพาะในเบื้องต้นถ้าคุณได้ได้เม็ดพันธุ์ดีขนาดไหนนะบางทีไปอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอะไรที่มันห่อหุ้มมากเนี่ยมันไม่เจริญนะเห็นไวยต้นไม้มเมล็ดมันมันหล่นลงมาไม่ได้หมายความมันจะงอกขึ้นมาตรงนั้นทั้งหมด มันจะงอกขึ้นไม่มากหรอกสองสามต้นพอขึ้นมาโตขึ้นมาคลุมมั้งหมดเลยอันดื่นไม่ขึ้นอย่างต้นใสต้นเนี้ยมันอยู่ต้นเดียวรอบๆข้างไม่มีอะไรมาขึ้นกับมันนะมันต้องตั้งใจตั้งแต่ทีแรกปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเพียรพยายามจริงๆให้มีความรู้สึกว่ามันจะเลือนเติบโตขึ้นมาบ้างให้มันหายง่วงหายงาวาให้เบื่อให้หนาย เพราะนี่คือเป็นปุพพนิมิตของการเข้าสู่ธรรมะนะเป็นปุพพนิมิตนะคือนิมิตรครั้งแรกเป็นนิมิตหมายถ้ามีความเพียรพยายามความหายง่วงหายเหงาหายอะไรต่างมันมีกำลังใจมันมีกำลังใจอย่างพระสงค์มาช่วย บอกช่วยชีเนี่ยเป็นตัวอย่างพูดให้ฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็นเนี่ยเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายทําให้เราเกิดกําลังใจกําลังใจจงทั้งว่าเมื่อไหร่เรางอกได้เองน่ยสติเราอยู่เองความห่วงเราก็แก้เองเป็นความเบือ่อความไหยแก้เองเป็นมันก็เจริญ น, นะทีนี้คือเป็นไปเองได้โดยธรรมชาติ ศรัทธาไม่โยกเยกละศรัทธาไม่ครอนแคลนไม่เหมือนไม้หลักปักเลนคือเจริญได้เรื่อ ย, อยพัฒนาไปได้ทีนี้ไอตัวศรัทธาเนี่ยถ้ามันไม่มีสติทีเนี้ยไม่มีสติให้เปรู้เห็นมากกวนี้ศรัทธานี้จะหดหายนะศรัทธาที่เรามีเนี่ย เดี๋ยวมันก็หดหายไปเพราะมันเป็นศรัทธาที่ยังไม่เกิดปัญญาคือมันจะเจริญนี่เหมือนต้นไม้อยู่ในถุงถ้ามันไม่ออกรากแก้วเนี่ยรดไปน้ําทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็ตายนะเดี๋ยวมันก็ตายมันกินเินกินปุ๋ยในในถุงหมดแล้วมันก็ตกหมดนะเหมือนกันศรัทธามาจากบ้านถ้าไม่ทําให้เกิดปัญญาไม่เกิดการเห็นธรรมเนี่ยลําพังเพียงแค่นั้นเนี่ยเดี๋ยวมันหาย เว้นไว้แต่รากแก้วมันจะงอกของมันเองเริ่มเป็นคนมีระเบียบ ม, มีวินัยในตัวปฏิบัติธรรมมนะัเนเหมือนกับทางโลกนะว่าวินัยทางการเงินการกลังการจับจ่ายใช้สอยอะไรประมาณนี้ยต้องรู้จักเอาแค่ไหนการพูดการคุยกันใช้อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายแค่ไหนสิ่งที่ไร้สาระควรให้เข้ามาในจิตเรามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดู มาที่นี่ไม่ใช่เราไม่ดูนะไม่ดูไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ใช่ก็ดูเห็นได้ยินได้ฟังแต่มันมีวินัยในการดูกันเห็นกันดีเนี่ยเาวินัยวินัยวินัยยโลเกปิชาโทมนาสั่งวินัยคือการมีความเพียรในการยกนําเอาจิตออกจากทุกหรือเอาทุกออกจากจิตเป็นถ้าเอาทุกออกจากใจเป็นเขาเรียกว่าคนมีวินัยในชีวิตมีระเบียบมีวินัยวินัย วิเนียะแปลว่านําออกนะแต่เราไม่เคยทหมอกมิแต่นาเข้าเอาเข้ามาใส่ใจตัวเองอะไรที่ไม่เคยทําพฤติกรรมอะไรที่มันจะเป็นไปเพื่อการสร้างอนุใสอาสวะเราทําไปเรื่อยอะไรที่มันจะลืมตัวบ่อยๆอะไรที่มันจะเสียภาพเสียพจผลเราใส่เข้ามานีดิ ด, ด, ดิข้อมูลพวกนี้ยเอาไปมาเออเลื่อไปหมดเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรตื่นขึ้นมาก็เต็มหัวละตื่นขึ้นมาแทบมันจะทํางานไม่ได้จะกด ให้มันอ่านหนังสือหน่อยก็ไม่ได้จะทาบัญชีอันนี้หน่อยก็ไม่ได้จะทำโน่นอะไรที่ละเอียดละเอียดเนี่ยทำไม่ได้เลยมันเออเลิกไปหมดนะโปรแกรมมันแย่ไปหมดชีวิตเนี่ยถ้าเรากดจุบขึ้นมาตื่นขึ้นมาปุ๊บจอมันว่างเราสามารถทำงานได้จะทำงานแบบไหนฮมันไม่มีความคิดไม่มีโปรแกรมอะไรมันขึ้นมาก่อนมันไม่มี หรือถ้าไม่มีเรากําหนดรูปก็กลายเป็นความว่างว่างพร้อมที่จะทําอย่างอื่นได้เหมือนห้องเนี่ยมันเป็นความว่างมัน ng, ว่างเราพร้อมที่จะทําอะไรก็ได้จัดอะไรก็ได้ในนี่เอาอะไรเข้ามาใส่ก็ได้เสร็จปุ๊บเราก็ออกไปถ้ามันได้ว่างใส่ได้ไ ม, ไ, มไม่ได้จิตคนก็เหมือนกันนะมันว่างว่างพร้อมพร้อมที่จะใส่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่เพราะมั น, ng, น ว, ม ng, ว่างเลยความว่างว่างด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญา มันเป็นความว่างแบบสะอาดหมดจดว่างแบบมีกำลังคนทั้งหลายบอกว่าถ้าว่างแล้วจะทำงานได้หรือมันไม่รู้คือมันไม่รู้นะเด่นั้นอาใส่กนะารพัฒนาทุกวันทุกวันมันเจ็บมันปวดก็จะไปลุกมันดูมันดีๆศึกษามัน ยิ่งเราลุกไหยเปลี่ยนบ่อยเนี่ยสติยิ่งขาดบ่อยตัวอนุสัยอาสวะนะอวิชชาสวะคือความลืมบ่อยๆลืมรู้เนี่ยมันยิ่งเกิดขึ้นง่ายนะกําลังใจแทนที่เราจะสร้างความอดทนขึ้นให้มันเยอะๆขันติให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, ม, นมันก็ไม่ค่อยมีขันติได้แต่วิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งไปวิ่งมาหมดวันหมดเดือนหมดปีนะ อาอะไรไปขี้ อ, อะไรไปเยี่ยวเพิ่งตื่นมาเองไม่ได้กินอะไรด้วยซ้าไปต้องถามตัวเองดูดิอะไรมันมีความจําเป็นมากมายต้องสังเกตนะพวกนี้ยสรุปคือเวลาเราเข้าใจโอ้ตายกิเลสเดินเพี้ยนผ่านไปหมดนะ่ะไปในไปในเห็นตักิเลสวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่เราไม่เคยดูมัน ไอความรู้สึกแบบนั้นเราวือเฮี้ยเฮี้ยเนี่ยมันจะวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่เรื่อยๆในใจเราเนี่ยมันมีตัวเฮี้ยตัวอะไรก็ตามที่วิ่งเข้าวิ่งออกอยู่เลยเขรียกว่าเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยเพราเฮี้ยนี่มันวิ่งเข้าวิ่งออกจิตก็เหมือนกันที่เป็นเฮี้ยเนี่ยเฮี้ยเนี่ยมาจากคาว่าหายณนะเฮี้ยมาจากคาว่าต่าําซ้ํา เหมือนกับหินนะนี่นแหละงนั้นเราก็จะให้มันเข้าไปอยาให้มันออกมาเห็นมันบ่อยๆมีตั้งใจตั้งสติให้มันคงไม่ใช่ไม่มีใครพูดอะไรไม่บอกอะไรไม่อะไรก็คิดเองไม่เป็นเนี่ยโอ้ยเกินไปเราจะนึกเอาเองตัวอย่างคนเขาดีๆเลือกเอาดิมันมีเป็นร้อยสองร้อยเนี่ยอะไรที่มันดีเราก็ดูเอา มาฝึกเป็นนักสู้แต่เป็นผู้แพ้รอดเชือกเอาไว้ๆไปๆไปๆไปๆตายพรดีพอนั่งเป็นหลับขยับเป็นแดกนั่งเป็นหลับขยับเป็นแดกได้สองเงนมานี่ก็แย่เต็มทีนะมันต้องขยับเป็นรู้ขยับเป็นรู้ขยับตัวไหนเป็นรู้รู้ตัวเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ใส่พวกนี้มันฝึกเอาได้นะ เรามาวันแรกวันหนึ่งวันสองอาจจะเป็นอย่างโน้น อ, อย่างนี้นะแต่สามสี่เริ่มปลอบตัวแล้วเริ่มฟังเป็นเริ่มเข้มแข็งขึ้นแต่หลายๆลายคนยิ่งนานเข้ายิ่งเริ่มปล่อยตัวปล่อยความคิดปล่อยพฤติกรรมไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆแลจเจาสติมาจากไหนเี่นะดูแล้วมันก็ไม่เบ่งบานอะไรมันไม่มีความสดใสไม่มีชาติความเป็นนักสู้ เมื่อเราไปชกมวยเมื่อก่อนแพ้ต ล, ลอดร้องไห้ลงมาทุกวันทุกวันแต่ต่อมาไม่ร้องไห้เริ่มเข้มแข็งเริ่เป็นคนยิ้มแย้มเป็นคนชกเองอะ่ะทีนี้ยเป็นคนต่อสู้เองไม่ได้ยินเสียงร้องไห้ไมีแต่เสียงโหเราะเริ่มสนุกสนุกกับการชกคู่ต่อสู้แล้วสติแล้วที่มันมีเนี่ยถ้าเราฝึกดีๆมันไปทําความสงบสงัดวิเวกนะ อะไรมันจะเริ่มพอดีพอดีขึ้นมานะความเพียรก็เริ่มพอดีขันติก็เริ่มพอดีสติก็เริ่มพอดีการนั่งการขยับไปขยับมาเริ่มปรับเป็นนะมาไม่แม้อาจจะเจ็บแข้งเจ็บขานั่งลาบากแต่พอมันเชยชินนก็เริ่มดีขึ้นแต่นี้มันเคยชินไปยางอื่นอีก แต่เลี้ยงหมาก็หมามันไม่ค่อยเชื่องอต้องมีกําลังพอนะจิตเราเนี่ยทนต่อร้อนต่อหนาวได้ทนต่อ ว, วิจนาทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งเหล่านี้แล้วเข า, เขามาบัญญัติเป็นเป็นวัดปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรมเป็นข้อห้าม เป็นจริยธรรมเป็นวัฒนธรรมเป็นขนบธรรมเนียมของผู้ปฏิบัติธรรมโอ้อันนั้นไม่ควรนะอันนี้ไม่ควรนะแต่เขาไม่ได้ห้ามซะ ก, กันหรอกเขาไม่ได้ห้ามแต่เขาต้องการให้เราเป็นคนละเอียดขึ้นมามีวัฒนธรรมมีจรียธรรมมีประเพณีธรรมนั่งให้เรียบร้อยนะนั่งระเพียบนั่งกสมานั่งสร้างจังหวะ นะอย่าเหยียดขายอย่านู่ น, นี่เขาเรือมมีวัฒนธรรมคนที่มันมีสติเนี่ยเขาก็อยากจะฝึกอะไรที่มันยังยากขึ้นไปเรื่อยๆเนะี่ยอะไรที่มันยังยากขึ้นไปเห็นครูบาอาจารย์ท่านพูดโอ้ทำทำทามากขึ้นมากขึ้นมากอไอ้ร่ที่มันยังยากเขาจะทามากขึ้นเขายิ่งอยากได้บทเรียนเออบทเรียนบทนี้เขาได้แล้วทำเป็นแล้ว ฝึกสติอยู่ปัจจุบันไปและวอลองดูดิไปนั่งในป่าชาที่นอนในโรงศพดูดิเป็นยังไงไปอยู่คนเดียวดิอยู่ในป่าในดงแข็มขึ้นไหมสติดีขึ้นไหมเป็นคนมากน้อยสันโดษหรือยังเอาไปอยู่ในถ้ำกลางอัติฤกษก็ลกกรราภคนนั้นก็มีคนนี้ก็ให้เป็นยังไงอ่ะรับไหวไหมถ้าเราไม่สะสมปัจจัยสี่ถ้ามันมีโอกาสถ้าสติไม่ดีก็เต็มล่ะลองดูดิ กินน้อยนอนน้อยสันโดดเป็นหรือยังถ้าอยู่กับกูบาจารย์พอเป็นไปอยู่คนเดียวลองดูดิหมดกำลังใจไหมอะไรประมาณนีน้เขาก็ยิ่งอยากได้บทเรียนที่มันยัายากขึ้นไปไม่ใช่อยากได้อะไรที่มันเอ้ยยิ่งตามใจยิ่งยงึย้นมันไม่ได้มันไม่มีกำลังจิตไม่มีกำลังนะเอาไปมาเวลา รูบายจานตักเตือนบอกเก่าถ้ามันมีศรัทธาอยู่มันก็ดีไปแต่ถ้าศรัทธาหลุดลอยไปยากกลายเป็นงุนงิด ต, ติดอารมณ์ถูกดา่าถูกว่าไม่อยากให้ดา่าไม่อยากว่าตัวกูของกูขึ้นมาเรื่องของกูเนะี่ยมันมาทั้งหมดเลยนะถ้าเราไม่มีสติเนะี่ยความทุกข์เกิดทันทีแต่เราก็คิดว่าเป็นความสุขนะเป็นความสุขแต่จริงจริงมันยังไม่ออกดอกออกผลเฉยเ ทุกอย่างที่มีอยู่นี่อะไรก็ตามที่ยังอยู่กับอนิจจังในเรียกว่าทุกสิ่งไหนเป็นของไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขสิ่งไหนเป็นของไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขมันไม่ใช่สุขนะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงนะเพราะมันเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเราอะถ้ามันทุกข์เราจะเป็นของเราเหรอ เราเกิดมาเพื่อเอาทุกข์หรือไม่ได้เอาทุกข์นะดังนั้นสิ่งไหนบ้างที่มันไม่ช่ทุกข์เนี่ยมันก็มีแต่นิพพานนะมีจัลมกผลนิพพานขณะที่เราเดินทางจิตอยู่ในมัคอยู่ในสมาธิอยู่มันโล่งมันโปร่งมันก็ไม่ทุกข์นะแต่มันอยู่ในทางแต่มันไม่ใช่ถึงเป้าหมายมันอยู่ในทางมันก็ดีอ่ะมันโล่งมันโปร่งเส้นทางมันโล่งโปร่งแต่ถ้า ออกนอนเส้นทางก็มืดมีป่ามีอะไรเนี่ยมีเขามีสัตว์ ร, ร้ายมากมายต้องอยู่ในทางไมไน้อยแต่ไปถึงป้อหมายถึงบ้านถึงเดือนถึงที่พักเราปลอดภัยนนั่นคือนิพพานเส้นทางนี้หมายถึงมรรคแต่หลายๆคนนี่ยังเข้าสู่มรรคไม่ได้เข้าสู่เส้นทางทางจิตไม่ได้สู่ความโล่งความปลงนี่ทำยังไม่เป็นพอทำไม่เป็นมันก็ไม่โล่งไม่ปลงก็อึดอั ด, อดเป็นทุกข์ก็คืออยู่ในป่า พระพุทธญาณหลวงพิสุต้องไหนหเ อ, ออกจากป่านะมาสู่บ้านซะออกจากป่าซะอย่าเข้าไปในป่าป่าคือป่าความคิดป่าอารมณ์ป่าข้องความทุกข์นั่นแหละหลายหายคนติดหลงนะนเวลาไปเที่ยวป่าเพลินก็ป่าดูมันสวยงามเป็นธรรมชาติสักพักไอความสวยงามนั่นแหละมันจะหลอกให้เราเข้าไปลึกเข้าไปลึกไปเพราะเราหลงปุ๊บ เราหาทางออกไม่ได้มีเสือมีอะไรอยู่ใน น, นั่นอีกทางหากมีแมลงป่องมีตะเข็บตะขับมีงูพิษเอาไปมาไม่รู้ไปทางไหนเริ่มที่ไหนเริ่มที่ความสวยงามเริ่มความสุขนะเนี่ะสุขคือความพอใจแต่พอเข้าไปปุ๊บอ่าวกลายเป็นทุกข์ทันทีกินอาหารกินมากเข้ามาเข้ า, า, ขาสักพัก โรคภัยไข้เจ็บมาเต็มที่เลยยิ่งอร่อยก็ยิ่งเป็นมันเป็นธรรมชาตินะเราไปเพลินอะไรก็ไม่ได้สักอันผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพวกนี้ต้องมีสติรู้เท่าทันความเป็นอนิจจังของสังขารพวกนี้แต่กันเราก็จะหลงมันมเหียนไม่เวลาคนรวยได้มากินเงินกิน มีเงินมีทองไปกินข้าวกินน้ำกินเหล้ากินเบียกินไปกินเพราะว่ามีความสุขไงสุขอันเกิดจากกายใจ่าวสับบุรีพวกสักพักติดนะตดะติดพอติดปุ๊บอ่าวเสียแล้วทีนี้เสียเงินเสียทองข่าวของติดติดสยัยติดเหล้าติดยาติดการพนงพนันมันสนุกนิดนึงนะแต่หลังจากนั้นก็เสียนะก็แย่ คือมันหลอกให้เราจมอยู่สักพักนะไม่แต่เราติดร่างกายเราว่าสวยว่างามอย่างเงี้ยอีกสักพักถ้าเราไม่รีบขวนขวายเนี่ยเราก็จะมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่อะเนี้ยจิตเราถ้าเราติดร่างกายติดสังขารนิหน่อยก็เปลี่ยนแปลงละตนไม่ใหญ่ไม่ผีสาวผู้ดีไม่สู้เราบอกว่าเป็น ต้นไม้ใหญ่เนี่ยเป็นที่หมายปองคนคนอื่นจะเจอขวานนะนะั่นแะเจอเลื่อยนะโรตาเห็นเขาตัดไม้ข้ามเขาเข้าไปเนี่ยบ้านอะไรเป็นไม้ยางไม้ยางก็ไม่ใหญ่เท่าไรหรอกเจ็ดคนโอบนะแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันฝนตก แต่เวลาเขาตัดเนี่ยเขาผ่ากลางมันผ่าใช้เลื่อยใบเลื่อยยาวแทงเข้าไปคือตัดแบบสี่เหลี่ยมข้างในเจาะเอานะี่ยแล้วก็ตัดข้างแล้วก็พลักออกไปต้นไม้ก็ยังยืนต้นอยู่เขาขึ้นเครื่องบินตัว ด, ดูก็ยังอยู่มันใหญ่น ะ, นะแต่ใบมันเริ่มเหี่ยวลงเหี่ยวลงถึงมารู้ว่าข้างในมันไม่มีเขาตัดผ่าสี่เหลี่ยม เราดันเอาไว้คือจะคิดว่ามันใหญ่คนจะไม่เอาเขามองอยู่แต่ไหนแต่ไรเขาขึ้นรถไปในในคืนเดียวเราก็ไม่เห็นแต่ต่อเห็นแต่เป็นช่องอยู่เดี๋ยวนี้วิธีการนี่ทางภาคเหนือก็ใช้เยอะโน้นตาคิดว่าจะมีแต่ทางอีสานทางอะไรที่มันเหลือต้นไม้ใหญ่ๆเหลือประม่าเนี่น เม่เขาไปทุกที่เลยมันก็จำเป็นต้องตัดลงมาเขาบนมันนะที่มันเหลือนะสามเม็ดห้าเม็ดเขาผ่าแล้วเขาตัดแทงใบเลื่อยเข้าไปทางนั้นก็แทงมาทางนี้ก็มาแทงปฏิบัติการคืนเดียวจบนะพวกนี้ยะ้ก็จะมีเลื่อยเก็บเสียงเลยซ้ำไป คนก็เหมือนกันนะคนที่หลงตัวเองว่ามีมันสมองดีก็จะแพ้มันสมองมันคิดอยากทําำนั่นคิดอยากทาอันนี้อยู่นั่นนะคนหน้าตาดีจะมีผัวเยอะอ้าวเดี๋ยวก็มีผัวคนนี้หลุกไปมีผัวคนนี้คือเราหลงอะไรเราก็จะเล่นกับอันนั้นนะแล้วก็จะทุกกว่าเพราะอันนั้น ทุกอย่างจะเป็นแบบนั้นทุกอันคนติดเสื้อผ้าติดสวยติดงามรู้สึกมีความสุขนะคุณจะทุกข์เพราะอันนั้นหรืคุณต้องหาเงินเป็นทาสมานันอีก็คุณต้องซื้อมันตรงบริโภคเวลาคุณไม่มีคุณก็ทุกข์กี่หละยทีเนี่ยเห็นไหมมันทุกอย่างนะคนไหนติดกินเห็นว่ากินเป็นของเที่ยงว่าสนุกปากมีความสุขกับรูปรสเนี่ยต้องหาเงินซื้อต้องไปกินที่นั่นไปกินที่นี่ลูกลามไปแต่ถ้าว่า ยังไงก็ได้กินยังไงก็ได้ไม่ทุกข์กับการกินมีก็กินไม่มีก็เลี่งไปอยู่ได้แบบสบายๆเพราะเข้าใจ่เข้าใจมันมันเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรยึดมันก็เป็นทุกข์กี่ละถ้าเป็นอย่างนี้คนอย่างนี้ก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ทุกข์เพราะสิ่งที่มีเพราะมันมีแต่เขาไม่มีมีแบบไม่มีไม่มีแบบมีทาเหมือนไม่ทำไม่ทำเหมือนทำ เวลาเราดูหนังจีนก็ดีหรือว่าอ่านนวนิยายจีนก็ดีเขาจะแฝงฝังปรัชญาลงไปในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะถ้าเป็นหนังเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับพระสงฆ์เกี่ยวกับอะไรประมาณเนี้ยจะมีปรัชญาเยอะพวกโก l i n พวกอะไรต่างเนี่ย มีหนังสือนะหนังสือปรัชญาโกลิงคือพยายามเขาพยายามที่จะถอดผอดคำพูดพวกนี้ออกมาจากบทเขียนเขาเอาเฉพาะปรัชญามันนะหนังไทยเราเนี่ยปรัชญาไม่ค่อยมีจบเรื่องหนึ่งมหามีแต่ขยะมันไม่มีปรัชญาชีวิตอะไรให้ในนั่นมีแต่ว่าแต่งงานก็เหรอมีแต่เสือ้อมีแต่ผ้าแฟชั่นชุดนั้นชุดนี้ ตีกันแสดงความโลบโกรธหลงสุดท้ายก็คือเป็นแบบนี้เอาความโลบโกรธหลงมาให้เสียงฮัวระของคนทั้งหลายทั้งปวงจริงๆคือเสียงร้องไห้นะคือเสียงร้องไห้เสียงร้องเพลงก็คือเสียงคร่ำควรวญคร่ำควรวญลำพันที่มันตะโกนมาเันเสียงร้องไห้ฟังดีๆทุกอันนะ อะไรบ้างที่ไม่ไม่ร้องไห้นะจนมีคนมันเขียนเพยงร้องไห้หาแม่มึงเหลอร้ อ, องไห้หาพ่อมึงหลืแต่คนเขียนก็ไม่รู้เรื่องอะไรน่าจะร้องไห้หากูบ้างเนี่ยคนละเรื่องงี่แหละใหญ่เปนง่วมันเหงาตื่นมาแล้วคือตื่นลุกมาแล้วคือลุกชีวิตเนี่ยน่าจะรู้ จนกระทั่งตื่นตื่นจากไอ้ที่เป็นนั่นน่ะรู้ตื่นเบิกบานนี่คือความหมายความหมายอารหันตศัพทนะ์รู้ตื่นเบิกบานมันไม่รู้มันก็ไม่ตื่นไม่ตื่นก็ไม่เบิกบานตื่นแบบเบิกบานแจ่มใสเพราะการปารุป ค, ความเพียรนั่นนี่ขอให้มันตื่นเถอะ ตื่นเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานเดีนี้เรามันไม่ตื่นมันไม่เบิกบานด้วยธรรมอย่านัด้วยธรรมคือเพราะการเห็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเองโดยธรรมชาติรู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมคือหมายความว่ามันตื่นเบิกบานแบบธรรมชาติมันแบบนั้นนหะด้วยธรรมชาติเป็นเหมือนเดี๋ยวนี้เราไม่เป็นธรรมชาติฝืนแทบตายบางทีเนี่ มไม่เป็นธรรมชาติมันนั้นศรัทธามา ก, ก่อนมีกำลังศรัทธาพละต่อไปก็ความขยันต้องเป็นกำลังมีกำลังะ ว, วิ ร, ยริยะพละต้องมีกำลังนะขยันแบบมีกำลังเมื่อที่ขยันสักน้อยหมดถ้าไม่มีเมื่อยเบือ่อมันไ ม, ไม่เป็นอะไรขึ้นมาแล้วกูทาหมดวันแล้วไม่เห็นได้อะไรวันนี้แล้วกูจะทำทำไมเนี่ย คือใช้ตั ก, กะมายุ่งกับมันนะไม่ต้องใช้ตั ก, กะ น, นี่รู้สึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆ อ, อ, อย่าไปคำนึงคำนวณครั้งก่อนกูไปปฏิบัติดีครั้งนี้ไม่ดีอืองคงแค่นั้นละมั้งเฮ้ยเราไปสำนักนั้นขนาดนั้น น, นนี่ก็คงเหมือนกันแหละอไประานี้ไปครั้งก่อนยังไม่ได้ครั้งนี้มันจะได้ครั้งก่อนก็เต็มที่แล้ว วิธีการนี้มันไม่ใช่เรื่องของตักกะนะนะไม่ใช่ตักกะไม่ใช่บัญญัติไตรยางนะพูละอันกันให้มันมีกำลังปฏิบัติธรรมเนี่ยมีวิริยะ ว, รยะวิริยะวิริยะวิริยะวิริยะไปว่ากล้าต่อสู้กล้าเผชิญสิ่งที่มันยากฝ่ายเรียนรู้สู้สิ่งยาก นี่มาฟังท่านเจ้าคุณประยุทธ์มานะเนี่ยไยเรียนรู้สู้สิ่งยากคุณว่าเป็นอางฝั ง, งคือคนนี้มันไม่ใ่ที่จะเรียนรู้สู้สิ่งที่ยากยากเนี่ยถ้าเราสู่สิ่งที่ยากยากมันยากมันก็ไม่มีอ่ะมันก็กลายเป็นอนิจจังหมดทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกอย่างนี่มันจะเป็นอนิจจังนย่แล ข้างนอกมันจะเป็นแบบนี้ของมันน่ะแต่ข้างในพอมันกระทบพบไอจิตสภาวะจิตมันจะรับรู้เองว่าเป็นอันนี้อยงทุกข์อันน่ะแล้วก็กลายเป็นความว่างใจเนี่ยมันจะมาว่าเป็นอนัตตาอยู่ข้างในเนี่ยไอข้างนอกเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เห็นตัวคนเลยนะบางคนห้อยลงตาปฏิบัติได้แล้วเป็นยังไงบ้างไม่เห็นใครเลยนี่เป็นอนัตตามดเลยไม่เห็นอะไรโอ้ oh, มันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลนะเนี่ยมันเพี้ยนนะ นะไม่ใช่มองแบบนั้นคือระลึกรู้เห็นเนี่ยแต่มันถอนความพอใจและความไม่พอใจและจิตมันไม่มีอารมณ์อะไรอยู่ในนั่นนะ่ะมันไม่มีค่าเป็นบวกเป็นลบนะมันไม่ได้คุณให้ค่าอะไรเลยเห็นคนนี้ไม่ได้มีราคานะเนี่ยแต่นี้เรามีราคานะคนนี้ราคาห้าแสนคนนี้หนึ่งมืนราคาตีราคาเหมือนกับกลัวเหมือนควาย รถคันนี้มีเท่านั้นตอนนี้มันไม่มีค่าในใจเรามันไม่มีค่าแบบนั้นเนาะเราไม่ได้มีค่าไอ้ที่มีค่าเนี่ยมาจากคำว่าราคาราคามาจากคำว่าราคานะราคะเรามีราคะมีความกําหนัดเยอะเราอยากได้เยอะๆมันจะมีค่าขึ้นมาทันทีทีนี้เราไม่ได้มีความอยากในทุกสิ่งทุกอันทุกอย่างเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นของมันเองมันก็ไม่มีราคาไม่มีราคาเห็นคนนี้สวยไหม มันไม่มีราคามันก็ไม่มีราคามันก็ไม่มีคา่าเขาเป็นศักวาทาศรีตามธรรมชาติตอนเป็นเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายเราละ่ะมีอะไรดีอ่ะไม่มีอะไรดีซากันไม่มีราคาไม่มีราคาวัตถุสิ่งของไปเห็นโน่นนี่นี่มันไม่มีราคาสักกันคือไม่เห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนอะไรเลยมันเป็นธรรมชาติ เราก็อยู่โดยธรรมชาตินะ่ะเห็นไหมอาหารอะไรที่เรานึกอยากกินอยากกินมันบ่อยอยา ก, ยากมากมากขึ้นมากขึ้นแพงนะมันแพงยิ่งคนอยากเยอะแพงเพชรอย่างเงี้ยมีราคาแต่ไม่มีประโยชน์เขาบอมีราคาแต่ไร้คุณค่าไร้คุณค่านะแต่ราคาสูงแต่ข้าวอย่างเงี้ยมีคุณค่าแต่ราคาต่ำเม็ดหนึ่งสู้เพชรไม่ได้นะ เม็ดข้าวนี่ดูดิเพราะอะไรเพราะเรามีความกำหนัดมีความอยากเราไปให้ค่าให้คุณมันเองไงเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ว่างอะถ้าเราเห็นความว่างในนี้จิตมันไม่สร้างคุณสร้างค่าไม่สร้างสมมุติขึ้นมาเนี่ยตังจิตเนี่ยมันเป็นภาวะแบบนั้นเนี่ยมันก็สบายไปเดี๋ยวนี้มันสร้างตลอดพรอกระทบปุ๊บผัดสะสร้างคุณสร้างค่าเขาเรียกว่ามีราคะมีความกำหนัดขึ้นมาข้างใ น, นนะมันก็จเจริญเลยเนี่ย อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่นอยากได้อนุนอัน น, น, น, นี้จิตมันไม่หยุดมันไม่เศร้ามันทํางานเพรมันอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่เลลึกรู้อยู่ก็เป็นแล้วไอ้ความง่วงความเหงานี่ก็เหมือนกันตื่นขึ้นมานี่นก็ง่วงอยู่เงี้เหงาอยู่เนี่ยพอเราให้ค่าให้คุณมันนรตาบอกว่าความง่วงกับความอยากกันเดียวกันไหมสังเกตดูดิ มันเดียวเดียวกันไม่หนอความง่วงเลยมันง่วงมากถ้าเราทำลายความอยากความง่วงจะมีนิดเดียวเป็นธรรมชาติได้เฉยแต่ดี้นมันมีความอยากเข้าไปรับมันก็เป็นปุ๋ยเนยเปนเจริญเติบโตวความอยากมันอิ่มไม่เป็นนะกลายเป็นความติดติดเลยเพราะมีบรรยากาศสัหน่อยหาวู้าว้วาวดขึ้นมานะนะต้องมนไม่ราบเป่าหมดเลย ต้องเข้าไปอยู่ในนั่นหมดหลับทั้งกองทัพนะกองทัพมนุมานเนี่ยไม่ยะราบเป่านิดเดียวเองเหมือนกันนะบรรยากาศในความง่วงครึมสลืมสลื ม, สล ม, มาตอนเที่ยงตอนบ่ายกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเดินก็ตาเปื่อตาเปือนนะต้องเอามือสาวไว้เดี๋ยวมันจะเข้าคอไผ่ไปต้องมนมยายราบนะมยายราบบอกอรารวาสลาหูมันจะอมจันทนระ์ ดวงจันทร์เมื่อกี้ก็สว่างสวยอีกหนอยไม่ใช่อ่ากินเลยงาบกินเลยแรงหูอมจันทร์เราดวนน้นไม่รู้อะไรหามข้าวดำํำข้าวแดงไก่ดําไก่ขาวน้นไปบนบานศาลเก่ายังไม่รู้รา้หูมันแดกเข้าไปครึ่งตัวแล้วกินความงมงายหนักเข้าไปาแล้วเนี่ยรลวงตาก็ไม่รู้ว่าทําไมเราโง่ ง, งมงายไปนั้นก็ไม่รู้นะนะหาแล้วแต่จะทําไปทํานนทํำนี่ เรวแพะรับบาปแา่ประเทศไทยเรานี่แมวรับบาปไม่ใช่แพะนะอิเดียเขาอยากได้อะไระไรผิดถูกอะไรนี่เอาแพว่าแพะมาฆ่าบูชายันนะฆ่าแพะบูชายันและจะได้สิ่งที่ปรารถนาแต่ประเทศไทยเราอะไรรับบาปอะไรสังเกตดูดิอะไรรับบาปอา ทั้งที่จิตของเราเองนะเนี่ยมันไม่เกิดปัญญา เ, ยเฉยๆเลยอันอื่นไม่แน่าจะมารับบาปนะมารับผลของความคิดความโง่ของเรานะต้องมาตายต้องมาทุกข์ทรมานเพราะอันนี้ไม่ใช่นะแต่จยให้มันพัฒนาขึ้นมานี่ก็ต้องสู้มันหน่อยอาการนั้นเป็นนิดๆหน่อยๆฟื้นมันหน่อยดิฟื้นมันหน่อย แน่นอนน่ะเกิดแก่เจ็บตายเป็นดีจริงเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายฟืนมากก็ตายแต่พอก่อนตายหน่อยมันพ้นฝั่งไปเถอะขอยรู้สึกว่าจิตมันหลุดพ้นเป็นวิมุตต์มีวิมุตติญาณทัศน์การเห็นแจ้งถ้าไม่เห็นแจ้งหลุดพ้นไม่ได้นะอันนี้นั้นสติสัมปชัญญสร้างไว้เถอะเดี๋ยวอายุเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเป็นอันไซยมือเป็นน่นเป็นนี่เข้าไปอันไซเมือก็ลงลืมลืมก็ชางนึกได้ตอนไหนก็ไม่ทุกตอนนั้นน่ะ มันจะเป็นอะไรมันไม่ทุกข์ไงมันมีสัญญาสมณสัญญาสามันสํานึกอยู่ข้างในมันไม่ทุกข์กับสิ่งที่ผัสสะลืมก็ไม่ทุกข์ไม่ลืมก็ไม่ทุกข์แล้วจะเอาอย่างไรสมองเนี่ยเป็นธรรมชาติมืนมันเป็นโครงสร้างเป็นธรรมชาติบางทีมันก็ดีบางทีก็ไม่ดีดีไม่ดีก็ไม่ทุกข์กับมันเนี่ยเจ้าอย่างไรอะเหมือนขานี่ปฏิบัติทำแล้วก็ขาขูดกขาหักอยู่ ฟันล่วงฟันหลออยู่เป็นธรรมชาติแต่ไม่ทุกข์กับมันน่ะแต่ทางโลกทุกนะถ้าไม่มีทุกนะแค่เราหาที่ยืนอยู่ในสังคมเนี่ยเราก็อยากยืนอยู่ในที่โกโก้ให้คนยกย่องสรรเสริญไม่มีใครยกย่องสรรเสริญเราทุกแลวนะสติไปไหนเนี่ยทำไมไม่เอามาทำงานสัตว์เนี่ย เวลามันไม่มีสติสัญชาตยานเขาก็ไม่ทำงานนะลาบยศสารเสรสิญมันไม่ได้ต้องการนะมันไม่ทำงานมันไม่ไหลงมันไม่มีสมมุติอันนี้สัตว์นี่มันไม่มีสมมติบัญญัติอันนี้แต่คนเนี่ยเวลาอยู่เฉยเฉยมันมีความเรียกร้องสมมุติบัญญัตินี้ขึ้นมาแต่ทีอยากมีอยากเป็นต้องการนับหน้าทื่อตา อาหารการกินกินอิ่มแล้วก็คืออิ่มก็จบไปไม่เป็นอย่างลุตาเลี้ยงหมาเลี้งแมวเลี้ยงแมวเันนียเอาข้าวมาบีบปลาปลาตัวเดียวนั่นแหละแต่เอาข้าวไม่มาเหนเียวเลยบีบขย่ำให้มันมีกลิ่นปลาแล้วเอาปลาออกเอาข้าวมันกินก mm ิน hmm. ไปสักพักจนกระทั่งมันใกล้ใกล้อิ่มคม่อยให้ปลามันดีหลังนะแต่ให้ปลาก่อนมันโดดกินปลาก่อนนะนะ mm hmm. เดี๋ยวนี้กินเพชรดีกรี โอ้ยเรียว่าบ้านเมืองเจริญหนระมันไม่เจริญตั้งแต่เกิดมามันก็ไม่ได้มีความคิดแบบนี้ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องกินแบบนี้แต่เราไปรสร้างนิสัยให้มันเองนะกินเนื้อกินนนทนกินนี่หมาเนี่ยวนี้ในที่จะทำมาหากินช่วยคนไม่ใช่เป็นแค่ตุ๊ ก, กตาหน้ารถเฉย เดินทางก็เหมือนกันโดดจัดขึ้นนั่งรถนั่นเองพระไปบินธบัติโห้มึงดีเนาะเห็นมันนั่งบินธบาติเผลอได้ฤดูหนาวนี่มันใส่เสื้อด้วยด้ใส่เสื้อโกอ้กับพระอีกพระนี่พระพุทธเจ้าห้ามใส่แขนหนึ่งนะก็ยังไม่ได้ใส่อยู่ดีอนะ่ะเอาเชื่อฟังบ๊วยไดเชื่อฟังก็อยู่ได้แต่เมื่อไหร่ถ้าใส่เสื้อเข้าไปก็อยู่ไม่ได้แล้วเป็นคําสาป พ, พระพุทธเจ้าฝากไว้คนไหนมันใส่ชุด ถูกอเปหีนะแต่หมาเนี่ยพัฒนาแต่มันต้องการไหมหมาเนี่ยเราถ้าถามดูแล้วมันไม่ต้องการเอามันจะต้องการยังไงหมาเนี่ยโรคผิวหนังมันก็เยอะมันก็คันนั่นกันนี่มันจะดีดกีตามันจะทำได้เหรอมันติดผ้าไงเนี่ยมันคันไม่ถึงข้างในนืเล็บที่มันจะสางเนี่ยมันไม่ถึงนะ มันว่าเอามาใส่กูทำไมอันนี้นี่ยน ะ, น ะ, น ะ, นะมันดีดไม่ได้ท่านอย่าอุตลิไปฉลาดกว่าหมาออย่าเห็นหมามีความสุขใส่เสื้อโก้โอ้ยปล่อยมันเป็นธรรมชาติมันเถอะพ่อคุณทุนหัวปล่อยเป็นธรรมชาติเด็กหมาเขาฝากมาเลี้ยงหมานีน่อย่าไปใส่เสื้อให้เขา อใจไหมอย่าไปเสพยายอย่าเอาไปความสุขทางตาตัวเองนี่มองดูเขาว่าเขาทุกข์แทบตายยากหัวเราเอาไปให้ร้านสะหัวทำให้หัวหมาเราเป็นทาตมันเราสะให้หมาอย่าไปทำปฏิบัติเอาขยันกันเทียง แซมพูสะผมหมามีค่ากว่าสะหัวพระอีกบางนี้กันแพงนะเห็นเห็นไหมในวัดนี่มีเลี้ยงหมาไหมไม่มีนะแค่เลี้ยงพระเลี้ยงคนนี่ก็แทบตายละไม่มีมีแต่มาชาวบ้านเผอเขามากินนักรินนี่แมวมีไหมไม่มีอ่ะไม่มีนั่ในวัดเนี่ยสังเกตาดูดิมีหมามีแมวไหมไม่มีมีแต่หนูไม่ได้รับเชิญหนูเนี่ยกัดผ้ากัดผ่อน โอ้ยมากมายหลากหลายจนต้องได้สร้างตึกกันนี้ไว้ใส่ผ้าเนี่ยไม่ให้หนูมันเข้าไปว่าจะเลี้ยงอยู่นั้นนี่ว่าจะเลี้ยงแมวแต่หลวงตาเลี้ยงแมวเนี่ยมันมีคนชอบแมวคนนี่มันมาอยู่เนี่ยบอกให้มันไม่ชอบไม่ได้คือเลี้ยงแมวเนี่ยเราจะเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยคืออยู่ได้ให้กินข้าวให้กินเท่าที่ควรจะกินนอกนั้นคือให้ทางาน ให้ธรรมชาติทำงานธรรมชาติหากินหนูกินอะไรไปตามเรื่องแล้วแต่มันน่ะแต่กี่เวลาแต่ว่าถ้าคนอยู่ปุ๊บคนจะเกิดความรักขึ้นมาตอนเย็นก็เปิดปลากระป๋องให้มันกินน่ยเพราะมันมีเรื่องมีความรักไงเราสอนให้คนไม่ให้มีความรักเนี่ยไม่ได้เลยไม่กล้าเลี้ยงหมาเหมือนกันนะมันก็จะติดไม่ทีติดพระองค์ในอุคนะ์หน่งไปอยู่ในกุฏิเดินจุกมก็ไม่ได้แล้วยอกแต่หมาอยู่นั่นนะ่ะ แล้วมันจะได้อะไรยากนะเอา้าตอนเย็นแมวแทนที่จะออกธรรมาหากินช่วยไม่ใช่อ่ะพระเอาไปกอดอยู่ในกุฏิน่นแะนะนะเข้าไปในห้องแล้วก็อยู่ในมุงเขียวอา้าวอยู่ในนั้นแมวก็จะอยู่หรือไม่ก็อาอยู่กุฏิแม่ชีน่นแมวตนั้นนไงไปอยู่น่นมันก็ไม่ทำงานเหมือนแมวหมาพวกกรุงเทพนะ่นะ กลายเป็นแมวโง่เป็นแมวผู้ดีซะเอาไปมายินกรรมพันธ์มันจะเริ่มนะแมวนี่ออกมาก็จะหากินไม่เป็นละพอเราฝึกไปรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามไปมันเริ่มขี้เกียจนะอพอออกมาปุ๊บคลอดออกาปุ๊บได้สักพักมันจะเริ่มมีตินิสัยทางพันธุกรรมมาบ้านนี้ทำไมไม่มีรถเก่งวะ มันดูมันรู้นะไม่มีรถเก่งขี่มันไม่อยู่มันจะไปบ้านโน้นบ้านโน้นมีรถเก่งให้ขึ้นไปตลาดไปนโน่นไปนี่ยากไปฝึกพวกเรานี่นะพวกเราเองนี่แหละเป็นผู้ทําลายโลกผู้เราเองนี่แหละเป็นทําลายธรรมชาตินล้วับพอไม่มีธรรมชาติทํางานธรรมชาติไปหายามา หายาเบื่อหนูมาหากับดักหนูมาหาเนอ่ยนี่มาเห็นไหมธรรมชาติเขาทํางานไม่มีอ่ะมันก็ต้องเอาอื่นมามนก็ต้องส ก, กปรกที่ต้องเป็นพิษเป็นภยัยเป็นอะไรไปเนี่ยอย่างหนูอย่างยุงอย่างเงี้ยอะไรจํากับกาจัดยุงเดี๋ยวนี้ไม่หนักพุ้นกว่าเดิมแนละ้วยุงเนี่ยหนักมากอะ่ะมันเยอะแล้วยุงเริ่มเป็นพาหะนําเชื้อโรคที่เราไม่คาดคิดเข้ามาสู่ตัวเราอะ่ะ ่็ไปเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีมีหนูกับยุงพอะะเจริญเติบโตไปได้อย่างอื่นไม่มีเพราะว่าหมูหมาแมวพวกนี้เขาเลิกทํางานกันหมดแล้วเราไปเป็นเครื่องประดับหมดแล้วยากลําบากแถ้าเข้าใจธรรมชาติหน่อยเออมันเป็นไปได้เองนะ่ะความเพียรเราก็ในการพัฒนาโลกทัวารทลายสบายวัวควายอย่างงี้ยอา้าวนทะํำนา ทำสวนทำไรเป็นปุ๋ยด้วยขี้ใส่ด้วยเป็นอาหารการกินเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ไม่เปลน่ยนก็เป็นพวกเหนือไปเลี้ยงไว้ในครอบเคยไปเมืองจีนไหมเมืองจีนเขาเลี้ยงควายเขาใช้นมควายเลี้ยงคนนคะวายเนะ่ยเขาพวกเราไม่ค่อยสนใจเนะลยเราว่ามันสกรปรกอนะควายส่วนมากใช้นมอะไรนะนมโคนะไม่ใช่นมคนนะ นะถ้านมคนมันก็ดีเนะี่ยบีบไข่สารอาหารมันดีมีคนหนึ่งที่บอกมันคลอดลูกได้สองตัวนะเขาว่าแม่มันเริ่มเหลืองหน้าตาเหลืองเพราะอะไรไอ้ตัวนี้เขามาดูดนมออกไปตัวนั้นเข้ามาดูดออกไปจนแม่มันเหลือง โลตาเลยหัวเล้อโอ้ยหนวูว่าแล้วไงนะกินจนตัวเหลืองอะแม่มันตัวเหลืองเอานมเลี้ยงนะเพราะมันมากหลายตัวมันกินจุไงนะเขาพบสารใหม่ว่าเ อ, อสารอาหารที่มีที่มีในนมโคเนี่ยนมควายมันจะมีอยู่สองเท่าสองเท่าสามเท่าแล้วก็มีสารตัวอื่นที่ที่นมโคไม่เหมีอนจีนเขาจะเลี้ยงควาย นมจากเต้านมจากโคนะว่าเราเรียกเอาจากโคแต่นั้นเขาจากควายนะทำไรทานาทําน่นทนํานี่ได้แต่นี้ไม่มีเราเลี้ยงคูโบตา้า ม, มันขี้ให้ไหมมันไม่ขี้นะนะมันตุบตุบตุบตุุ บ, บ, บ, บ, บ, บขึ้นมาแตทีเงินเงินเงินเงิ น, ง, นงินนะนะออกเป็นดอกเป็นอะไรนะเสร็จปุ๊บมันออกลูกไหมถ้าเลี้ยงควายามันออกลูกนะออกลูกได้ขายอีก กูบัตามันออกลูกให้ไหมมันไม่ออกนะขี้มันก็ไม่มีนะนั่นสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปนั้นมีโอกาสได้มาปฏิบัติรมพยายามมองให้มันรอบให้มันมีสติสัมปชัญญะกํากลังเรามีเอาออกให้หมดศรัทธาเต็มที่วิริยะเต็มที่ฝืนเนี่ยฟืนฟืนอะไรที่มันฝืนได้ยากข่มอะไรที่ข่มได้ยากอันนั้นแหละ เขเรียกวปฏิบัติธรรมข่มโยนทั้งมันเป็นอนิจจงจนมันไม่ทุกข์จนมันเป็นอนัตตาดับไปว่างโดยธรรมชาตินัะนะ่นแหะทีนี้บางคนมีความเพียร น, นะเดินทั้งวันกูไม่ง่วงกูไม่ให้มันง่วงว่าเดินเดิ น, ดนแต่เป็นยังไงบ้างคิดตลอดนะไม่ง่วงนะวันนี้เป็นไงวะคิดมากคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องนั้นก็สนุกไปไม่ใช่นะแบบนะั้นไม่ใช่ ขยันเนี่ยคุณต้อขยันไม่ได้อยู่ในความคิดทั้งโลกเขาขยันนะขยันแบบได้เงินได้ทองทนูท่นทำนีน่แต่นี่ขยันรู้สึกตัวนะ น, นี้ขยันแต่ขยันกาหนดรู้อันนี้บางคนเดินจุกมทั้งวันแต่ไม่มีสติเลยนะอย่างเช่นที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตที่เคยกาหนดรู้ ไ, ม, ไม่เคยเราไม่เคยกําหนดรู้เลยใช้ชีวิตมาเนี่ถ้าเรากําหนดรู้มาในชีวิตจำป่านนี้เราบรรลุอาหารหันต์ไปแล้วนะ พอไม่กําหนดรู้ยิ่งเดินยิ่งเดินอะระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสมันไกลแล้วป่ะเนี่ยพ้นทุกไปแล้วกําหนดรู้ยืนเดินนั่งนอนในชีวิตประจำวั น, นแต่นี้เราไม่ได้กําหนดรู้ไม่กำหนดก็มีแต่คิดพอคิดมากเขามีแต่ความอยากความอยากอยากมากเข้ามากเข้าก็เป็นมีความกระหายเี่กระหายอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้แต่สับเดิมมันทีจริงกะหังเราไม่ใช่อระหังเป็น กะหังกระหังคือกระหายมีความกระหายมีความร้อนอยากได้อย่างมีอยา่อยางเป็นทุกวันอันนั้นกิดจะเอานี่เกิดจะเอามันพอเรื่องร่างกายนี้เราได้มาในอายุมันในน้อยเองถ้าไม่ความอยากมันมากมายอย่างเพราะเฉพาะมันไม่เห็นตัวเห็นตนของตัวเองไงนั้นนอกจากรู้สึกตัวต้องให้มันเจริญเติบโตต้องต่อเนื่องเขาบอกว่าเฮ้ยความรู้สึกตัวต่อเนื่องมันจะกลายเป็นสมาธินะแล้วจะมีพลัง ในการเข้าไปสลายรู้แจ้งในธาตุในขันในสมมุติหรือถอนสมมุติไี้ออกพระพุทธเจ้าท่านเ น, นี่เนี่ยในช่างผูเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปมันมีหนังที่กีนูลิฟแสดงนะอือเขามีสตาฟที่ปรึกษาดีมากเวลาดับกิเดตมัน เหลืออัตตาก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งโผล่เข้ามาในน้ํานะแต่ตัวตัวเองนั่นแหละนะดูก่อนสถาปนิกสถาปนิกคืออะไรอ่ะสถาปนิกผู้สร้างชีวิตเราคืออะไรตันหานะนะนั้นเขาบอกดูก่อนผู้ออกแบบชีวิตไอ้ตัวออกแบบชีวิตคือตัวรากเหง้าของมันดีคือตันหาภาษาอีสาน อยากมีศีลให้ขาพ่อตีแม่ให้อยากมูเมอแวให้ขาซุ่มเดียวกันอยากขึ้นสวรรค์ให้ไปใส่สศิตชีวิตในวัดนะคือข้าพ่อข้าแม่ข้าพ่อข้าแม่คนไหนอยากมีศีลมีทำให้ข้าพ่อข้าแม่ข่าพ่อข้าแม่คือทำไงต้นกำเนิดของแม่ ของความทุกข์นี oh ่ยคืออวิชชาคือตัณหาไอ้ตัวตัณหาตัวอวิชชาตัวนี้แหละเป็นตัวกําเนิดของชีวิตเราเนี่ยผู้ออกแบบชีวิตเราคือตัณหาผู้ออกแบบพวกนี้คือความไม่รู้ตัณหามาจากความไม่รู้นะไม่รู้มันก็เลยเกิดตัณหาไม่รู้อะไรไม่รู้แจ้งทีนี้อยากให้รู้แจ้งต้องรู้สึกตัวเนี่ยดูดิถ้าเรารู้สึกตัวมากๆเข้ามันจะเป็นรู้แจ้งพอรู้แจ้งตัณหามันก็หายเนี่ยถูกอ่ะ แม่แบบแม่พิมพ์ต้นกําเนิดของความคิดทั้งหลายมาจากไหนเขาให้ค่าแม่ น, นั้นแม่ขี้ขาดแม่เบื่อแม่นายแม่อะไรก็ตามอะทําลายมันออกความคิดเกลียดเกิดจากอะไรอ่ะเกิดจากความยืดติดความเข้าใจผิดความอะไรคือสุดท้ายคืออยู่ที่เอาวิชานั่นแหละคือความไม่รู้จริงๆผมไม่รู้จริงๆเลยนี่ทําให้มันรู้ซะกว่าจะรู้ได้เยารู้แจ้งขึ้นมาเลยได้ไหม อยู่ๆเดินก็เพื่อต่อยเขาเลยนี่จะได้ไหมแชมป์มันอยู่ในนั้นมันเป็นแชมป์ความคิดนี่มันเป็นแชมป์อยู่ในนี้คลองแชมป์มันไม่รู้กี่หมื่นปีแล้วถ้าจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นแชมป์อยู่ในนี้ความขี้เกียจขี้คันความคิดความปรงแต่งอยู่ในสมองเราอยู่ๆความรู้สึกตัวเพิ่งทําวันนี้แล้วจะไปพวะมันไม่ได้แล้วนั้นต้องซ้อมเยอะๆก่อนรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นกําลังวังชามีค่อยไปต่อยความรู้สึกตัวไปต่อยกับความคิดนึ่งมาเดียว ตูมนะแต่ก่อนยังไม่หมัดเดียวก็คือเตะแข้งเตะขาไปก่อนมันอาจจะใช้พันหมัดนะพันหมัดนะ จ, จะใช้พันหมัดถ้าแรงๆตูมปุ๊บมันก็หมอบกระลอกไปเตะแข้งเตะขาเหมือนมวยนี่นะจะน็อกก็ได้ก็ยกหนะ้าลแต่ยกหนึ่งยกสองเป็นนั่งรอให้มันถึงยกหก่อนให้เข้าตีข้ามันไม่ได้ด็คุณต้องทำงานทุกยกได้เนี่ย วันหนึ่งคุณก็จะสู้ไม่ใช่ว่าจะมาวันสุดท้ายมาวันสุดท้ายก็ง่วงเหงาตายดิมันจะออกได้หรือเนี่ยออกจากกิเดทเนี่ยนั้นต้องเอาทุกวันเจาะยางบ้างเขาร้อยบ้างทีบบ้างเย็บเย็บเยบย บ, ยบทิมทมทิมนาไม่ให้มันเมามันจะมีจังหวะหนึ่งที่เราพอดีพวะเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดญาณทัศน์เกิดวิปัสนาญาณแจ้งเกิดมามันล่วงพผยเลยนะดูก่อนสถาปนิกมึงเผยไปแล้วนะ ดูก่อนในช่างบูกเรือนเรารู้จากเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปก็เรียกพุทธอุทา น, นสะพาเตภาสสุกาปะกากูทังวิสังกตังวิสังฆะระกตังจิตตังตันหานังกัจมัจจา จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมึงจะมาปรุงมาสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างความคิดความอยากให้กูไม่ได้อีกแล้วถูกทำลายแล้วใจมันว่างแล้วอะไรมาสร้างมันก็ไม่ติดแล้วมันไม่เป็นแล้วอะไรมาปรุงแต่งไม่ได้มันไม่มีอุปทานมันหลุดรุ่ยไปแล้วมันไม่มีแล้วอุปทานขันมันไม่มีแล้วที่แรกว่าจะไปเขียนกระดานวันแต่ว่ามาล้เห็นกระดานยังไม่ลบ ลองทําดูดิเราจะให้สถาปนิกให้ตันหากรีดมาปรุงแต่งโอ้ยากลําบากแต่คนก็ไม่รู้นะบางทนะีพ่อแม่ก็ไม่รู้พ่อแม่ก็โง่โ ง, โงก็เที่ยมสอนลูกต้องไปเรียนต่อนะต้องไปเป็นนั่นนะต้องไปเป็นนี่นะต้องมียศตามทุงให้พ่อให้แม่ได้หน้าได้ตาเอา อ, อยู่นั่นแนหะนอกจากสถาปนิกความคิดกูแล้วกับพ่อแม่นี่ก็ใหญ่โตอยูมั่งเที่ยมสอนอยู่นั่นนหะคือพ่อแม่ก็ไม่รู้ไง แต่ถ้าพ่อรู้นะแม่รู้นะโอ้ยลูกเอ้ยพ่อแม่หลงได้ทําให้เธอเกิดมาเป็นธรรมชาตินะพ่อแม่จะไปฝากปฏิบัติทำอยู่นู่นแหละเขาโงลังตังนู่นนะเข้าไปฝากเดี๋ยาไปปฏิบัติเดีเอาดับทุกข์ไปเลยนะชาติเนี่ยมันมีเท่านี้แหละอยู่ได้ก็เท่านี้เดี๋ยวก็ตายไปเดี๋ยวก็ตายไปเกิดมาแก่เจ็บตายรักษาชีวิตเราไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บให้ตายนี่พอแล้วนันอดื่นก็เท่านั้นแหละฝากอะไรไว้กับโลกนี่แ่ละ ถ้าโลกนี้เป็นเหมือนจั ก, กรวาล น, นะเราสู่ส่วนไหนทุลียังไม่ได้ไหวเลยนะ่ฝุ่นผงละอองอะไรต่างๆยังเทียบไม่ได้เลยเราเนี่ยแต่เราก็กูก็คือกูนะไม่ใช่อะ่ะวางมันวางมันถ้าฝึกสติก็ต้องทำให้มันต่อเนื่องเลยด จริงสติกับศรัท ธ, ธาเนี่ยเดียวกันตั้งแต่ศรัท ธ, ธาที่จะทำก็คือเรื่ลึกรู้ลงมากขึ้นมากขึ้นมาสติต้องทําต่อเนื่องต่อเนื่องเขาเรียกว่าเป็นสมาธิบางคนเขาทําโดยธรรมชาติเลยนะเป็นโดยธรรมชาติคือไม่อยากติดกับความคิดเนะี่ยโดยธรรมชาติมีอะไรเกิดขึ้นก็ทิ้งไปเขาว่าอะไรให้ก็ไม่โกรธ โ, โกรธเป็นทุกข์อ่าทิ้งไปแต่เขาไม่ได้ยินได้ฟังมานะเขาไม่ได้มาปฏิบัติทําเ ข, าข้าคอร์สอะไรแต่ เขาฝึกโดยธรรมชาติมันเป็นเทคนิคธรรมชาติที่คนรู้จักว่าให้ทุกมันสอนเนี่ยทุกมันสอนมันทุกคิดมากไปทุกาไม่คิดละเนี่ยเฉยๆคนไปหนีเนี่ยทำแบบนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าสักพักเขาก็จะมีเขารู้สึกเป็นทุกข์พวกเขาจะเอาจริงเฮ้ไม่นทุกข์หรอกวันนี้จะไม่โกรธนะลองดูนะจะไม่โกรธเลย ไอ้คำว่าไม่โกรธเลยเนี่เขาต้องสังเกต ด, ดูจิตเข า, าอะอจะไม่ให้มันโกรธพอดูมากเขาดูเขามันก็ปิ้งกันมาทะนทีอคือความสว่างทันทีเพราะสติมันต่อเนื่องมากเข้ามาเข้ามันก็จะกลายเป็นสมาธิโดยธรรมชาติอะไรกระทบมันก็ไม่หลุดไม่ไม่ไมไย่างเช่นการการฝึกสติทีแรกเนี่ยคนมีสติในน้อยไม่มากเท่าไหร่นะมีสติอยู่กับปัจจุบันพยายามที่จะ รู้สึกตัวศรัทธาเยอะๆนะเขาเรียกว่าศรัทธานุสารีพวกบรรลุโสดาบันนี่ส่วนมากจะเป็นศรัทธานุสารีคือมีศรัทธาเยอะๆนะสติมันก็จะก่อตัวเป็นเป็นตัวรู้ตัวเห็นขึ้นมาได้มีศรัทธามากๆเวลาเราไปฟังธรรมมีศรัทธาท่านพูดไปอยู่ๆมันก็ปิ้งขึ้นมานะแจ่มใสสว่างขึ้นมานะไอตัวเนี้ สามารถสานต่อไปได้ทําตอบมากผลขั้นสูงสขึ้นไปได้ <die> เห็นไหมพระจุลบันถุกนะกวาดวาดวา ด, วา ด, วาดไม่สนใจเนี่ยใครจะมาว่าอะไรมันจะมาเขย่าต้นไม้ใส่ก็ไม่อะใบไหมวาดไปเรืยอยวาดไปกวาดมากาดไปก็มาเอาแต่ศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยนี่ไม่มีปัญญาอะไรน ะ, นะมีแต่ศรัทธาที่จะรู้อยู่ปัจจุบันอีกสักพักมันจะปิ้งขึ้นมาของมันเองหรอกในจิตเนี่ยมันเป็นโดยธรรมชาติคือไม่ต้องมีปัญญามากในเบื้องต้นเนี่ย แต่ขอจะขยันทำมีความจริงจังตั้งใจปลุกกันหน่อยเด้อคนที่หลับอยู่นะก็ปั้นฟาดหลังมานหน่อยสอกหลังไปหน่อยดีรับกระโดดกระเดียรับคักลับเนี่ยบกี้เดียดในบ่มันคือบ่มี่หยัางนอนหลับไปแล้วตื่นมาบ่มี่หยัางจังปางคือเกาบ่มี่หยัาง หาอย่างเขาไปหม่นเขาไปอย่างน่หันบ่อยากเศ้าในตีง่วงนี่ไหมบ่อยากเศร้าในบ่บ่อยากเลิกนี่ว่าไม่อยากหายเรื่องโรคง่วงเนี่ยโลกใส่ปิดธรรมชาติตัวนี้ไหมมันบม่รู้เด้มันบม่รู้ถ้ามันรู้มากกว่านี้มันก็ดีกว่านั่นแหละอันนี้มันไม่รู้ไงอยากให้มันรู้เดี๋ยวนี้อยากให้มันรู้รู้ธรรมชาติอันนี้ว่ามันไม่มีก็มีน ทัศนีนะปห้ตปลธรรมะปานนายะปะทำบางอย่างรู้ได้ด้วยการเห็นบางอย่างด้วยการละบางอย่างรู้ด้วยการเลิกบางอย่างรู้ได้การคมบางอย่างนนั้รู้ได้ด้วยการเห็นแจ้งบางอย่างด้วยการสังเกตบางอย่างรู้ได้สมาธิบางอย่างรู้ด้วยการหลุดพ้นดูดิเธอรู้ธรรมะกี่อย่างเดี๋ยวนี้รู้แต่ธรรมชาติอันรู้ด้วยตานี่เหรอเามีการรู้อีกมันอีก20อย่างนะเราไม่รู้เลยปัญญาเนี่ยเรายังไม่เกิดศักยภาพเรามีแต่เราไม่เคยค้นพบเห็นนะ นะพาวนายพะหาัตมะนิวตัาีนนพาวนายะหาปตตมะเฮตุกตมะอเจยกรมินุตมาอวะเจยกมินุตัมเทวเจยกมินุาปะเจยกมินุันตมากััมมานิวเซกนาเกตัมมปริตตัมโอ้ยมันมากมายหลากหลายวิธีการรู้เนี่ยของเรามีแต่รู้คิดน้ำเขาเขาเราสู้ฟังนี่อันนี้กูก็เห็นเป็นมาแต่เกิดได้มาแต่เกิดอันความรู้เรื่องง่วงนี่นะ มันพอจะเปลี่ยนแปลงแล้วอืรู้ในการคิดเอาสภาวะธรรมวิตกวิจารณปีติสุขเอกขอเทวปิกะผูนะเรามีแค่วิตกวิจารณ์เราอย่างอื่นเราไม่มีความรู้อย่างอื่นไม่มีเลยได้แต่วิตกวิจารณ์ได้แต่คิดเอาคิดเอาคิดเอาได้สมองก็เป็นคนคิดเอาโอ้ยเขาว่าไอ้ตัวคิดเอานี่มันมีอุ ป, อปทานอยู่ด้วยยิ่งเลยก็ทุกอย่างแหละไม่ใช่ของเขาจริงๆเนะ่นั้น หลุดออกจากมิติการแสวงหาแบบเดิมเพราะว่าถ้าเดิมก็มีราคะโทสะโมหะคิดนอกกรอบดินอกมิติดิทำเป็นไหมมันออกนอกกรอบไม่ได้กรอบความโลภโกรหลนี่ออกได้ไม่ออกไม่ได้ถ้าไม่มีสติเป็นยานอาวกาศจริงๆเนี่ยมันไม่ออกสติคือยานอาวกาศนะจะนำไปสู่อวกาศต้องมีสตินะแต่ทางโลกก็จะมี อย่างโลกๆกนะสติในเป็นญาณอาวกาศต้องต่อเนื่องเชื่อเพิงมันต้องเขาไม่ใช้ดินปืนนะเขาใช้ในในตัวเจนนะเราตากไปอ่านอ่านดูเอา้าเนื่อว่าเขาใช้กรรมาฐานเหมือนบ้านเราเนี่ยไม่ใชเนะถ้ามันก็หมดแล้วแจ้ดขึ้นไปหนุหนๆก็รล่วงลวงมาแล้วอวกาศลงใต้พื้นดินนั่นแล้ว เขามีแบบหนึ่งแล้วก็มีระบบการสลัดถังเชื้อเพลิงพอมันใช้หมดมันจะหลุดออกมาทั้งยวงเลยนะมันส่งไปหลุดออกหลุดออกแล้วเหลื อ, ลอแต่หัวมันนะหลวตายยังคิดอยู่ยตอนขากลับเนยเอาอะไรส่งเข้ามาของเราเนี่ยยิ่งสบายดีนี่เชื้อเพลิงก็มีอยู่ในตัวทำให้มีกำลังหน่อยเอาศรัทธาเต็มทีมือนีตายเป็นตายเป้่านะไปดูปวกเฮ้ยปวกนี่มันกัด จนกระทัว่าคอขาดนะหัวมันนี่ขาดคาดตีนเราเลยนะมดแดงมันี่คอขาดก้นหายไปไหนไม่รู้นะแต่หัวมันยังอยู่อืกูจิกัดข้ามงวงคอขาดมันนี่เอา้าตายเป็นตายสาธุเดอพระพุทธเจ้าเป็นพยานหลักฐานถ้าข้าพเจ้าสู่กับข้อมงบุได้ขอหายข้าพเจ้ามีอันเป็นไปอื บ่ได้พุทธบ่ได้เกิดไปหนึง่งอธิษฐานใจแล้วก็สู้สันเนียวนะ้าตั้งสู้จะเอาแบบใดละจะเอาวิ่งสู้ฟัดติแล้วเตสิเฮ็เดบดหอสู้ไปลรดบางเทือก็ทหักใหม่มาอันนึงเฮ็ดคือควายนี่ไหมยังมันจะงงๆตีฟดัดเ <c oughs> พี้ยตีขานี่นะลูกตาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำตีขา เดินมันเจ็บขาตีขาเอาไปโอ้เข่าดาเนออี่แหละนะมันลงตาตีซอยว่ะเอาวันพอดีอะ่ะมันจะง่วมก็ไม่ง่วงเพราะเขามีไม้เลียวตีขาของตีขาตีขาสักพักมันก็เริ่มไหายเดินไปได้สะดวกสบายเห็นไหมคนมันฉลาดเพราะอะไรเพราะเขาไม่เห็นว่าตัวกูไงไม่ใช่ตัวกูของกูขาเนี่ยมึงไม่อยากเดินกูตีมึงนะออื มันไม่ใช่ตัวกูอย่างน้นว่าเขาเ ร, เริ่มเริ่มเป็นอนันตานิ้น้อ no. ยไม่ได้ใส่ใจกับความเจ็บความปวดความเมือ่อยถือมันไปหลดนะมันก็ไข้ขึ้นตัวบางคนไปอยู่ใกล้ๆคนเนี้คนนี้เดินได้เดินดีเดินไดเ อ, อ้ามึงวิญญาณกูกั บ, บวิยุดณคือกันหรอวะไพดีไพ ย, ยูหรอวะบางคนไปเปรียบเทียบกับพระนะออืพระกับกูคือข้นคือกันแล้วออืทำใด้พระนีย่ยางไปยังม า, าน พระรับแล้วกูคั้งแค่เนี่ยเห็นไหมเนะี่ยเขาเก่งนะบางคนเนี่ยอ้ น, นี่เราไม่มีข้อเปรียบเทียบเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนโงโง่กับโงเ่เดียวไม่คือง่วงเถทีเจ้าของห้องก็คือกันลราวนะ่างไม่ได้ปิดจะไหวว่าคุยไปคุยมาข่ําซ้ํามืดจ้อยมีแต่ไปคุยกันนะคนโง่ชอบไปหาคนโง่เนียอย่าไปหาคนโง่ถ้าไปหาคนโง่ด้วยกันมันเกินจะโง่เพิ่มไปหาคนฉลาด คนฉลาดในการออกจากทุกข์นูนะ่นน่ะเขาทำยังไงได้เอาเขาเป็นตัวอย่างถ้าหาคนไม่ได้เท่ากับตนเทียบเท่าตนคนเดียวเที่ยวไปสบายใจกว่าไปหากระยาณมิตรถ้ามันไม่สามารถที่จะเท่ากับเราเราเพียนขนาดนี้คนอื่นยังอ่อนกว่าเราเนี่ยเราไม่ เ, เอาเป็นเพื่อน คนเดียวเที่ อ, อกไปสบายใจกว่าไปหาคนที่สูงกว่าที่จะดึงเราขึ้นสูงเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรอนั่นกัลยาณมิตรหาเขานแสวงหาไปนั่นนะ่ะฝืนฝึกชีวิตมันยาวนักหรือมันสั้นนิดเดียวเองดิถ้าสติไม่ต่อเนื่องจะไม่เรียกว่าสมาธิอันนี้สติมันต่อเนืมันต่อเนื อ, ม, น อ, นอมันจะโ ล, ลง่งโปร่ง ติดตั้งมันน่นนะเรียกวเป็นสมาธิที่นี้สมาธิแบบพุทคือตั้งมั่นแบบไม่หวั่นไหวเวลากระทบตาหูจมูกลิ้นหายใจมันกระทบเนี่ยมันไม่หวั่นไหวแต่ทางโลกสมาธิเขาต้องการ น, น้อยๆเองไม่เยอะอะไรพอคิดอันนั้นออกพอใช้หัวคิดทำนั้นทํำนี่แล้วก็ไปอยู่กับรูปเลกากินเสียงเหมือนเดิมอยู่กับการมาปจรคือไหลไปตามความใคร่เหมือนเดิมแต่ขอให้มาทําำนนี้ได้สักพักแต่พุทธธรรมเนี่ย จะเอามาดับความคิดดับความปรุงแต่งสมาธินี่ดับที่เหตุของทุกข์น่ะเนงนั้นพอมันตั้งมันม่นไม่ไม่หวั่นไหวในสมาธิมันมากเข้ามาเข้ามันก็โอ้อันนี้เป็นอย่างนี้นะโอ้อันนั้นเป็นอย่างงั้นนะโอ้โหอันนี้เป็นนีนนะนนน่มันก็จะเกิดความเข้าใจนะ่ะอยู่ๆก็เกิดเห็นความทราบซึ่งมันในใจโอ้รูกเป็นอย่างนี้เนาะเวทนาเป็นอย่างเนี้ย ความคิดความปรุงแต่งไอ้ที่มันทุก์มันชอบแว บ, บขึ้นมาแวบบขึ้นมาเพราะมันมาอย่างเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้จักกลไกมันก็เกิดการหดตัวขึ้นมามันหดตัวขึ้นมาหดตัวเหมือนเราไปบีบก้นเด็กนะเด็กมันจะก้นแดงๆนะเวลาบีบแล้วก้นสีอะไรทารกทารกเนอะเออบริเวณนั้นเลือดมันจะหายไปเลยนะ มันจะจืดไปเนี่ยบีบก้นมันนะมันเป็นแบบนั้นแหละเวลาตัณหาจิตเด็ตัณหาอยู่ในจิตมันเหือดแห้งไปมันจะเป็นอากาศมันพราะเราบีบมันว่าไปไปนั่นแหะแล้วมันไม่มีตัวที่จะมาคอยย้อมจิตเราเวลากระทบผัสสะตัณหาที่เหือดแห้งแล้วย่อมไม่ก่อให้เกิดทุกข์เดี๋ยวนี้มันไม่เหือดแห้งมันชุ่มไปด้วยยางอะไรเนี่ยมันชุ่มใจแล้วมันชุ่มมันชื้นเนี่ยต้องทําให้มันแห้งทําทุกวันทุกวัน่ะ วันนี้วันที่หกแล้วเนี่ยที่เจ็ดเหรอแล้ววันที่เจ็ดแล้วเนี่ยจะมีสักกี่คนเนี่ยวันแรกมันมาถามปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติทำได้อยู่ที่บ้านทำได้ไ้ยทำยังไงลองดูนะพรุ่งนี้กลับไปบ้านมันจะทำไมหม why เม่ได้นอนพ่อแม่หนูเป็นไงบ้าง ไปปฏิบัติทรรมาทำไมหน้าเป็นห่วงจังนะพ่อแม่ครูแม่อย่ามารบ ก, กวนนี่มันไม่ได้พักผ่อนนี่นี่จะลางานเพิ่มมีกอยู่นะเนี่ยไม่นะว่าจะลาไปพักผ่อนที่วัดโอ้ยไม่ได้พักผ่อนเลยเนาะเอา้าไหนว่าเป็นจะไปนอนที่วัดอะ่ะลาไปพักผ่อนช่วงปีใหม่เขาดาวเขาเดวมันจะเห็นดาวเห็นเดือนเลยเมื่อใจ ต, ตายก็างคืนมกัก็นอนตื่นมันก็เอาแล้วบกอยู่นี่นะ่ะโวยตายโวยเดีย จะนอนชดเชยสักเจ็ดวันค่อยไปทำงานเกินไปแล้วอันนั้นก็ออืมพอหลุดจากกูบาอาจารย์สักหน่อยก็หมด้ะเพราะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรไปไงมันไม่ได้ทุนอ่ะถ้าได้ทุนไปมันก็รวยกลับบ้านดิคุณธรรมมันมีอ่ะเราปฏิบัติทำคุณธรรมนี้หุ้ยกลับไปบ้านขยันกันแข็งตื่นเดึกลูกเจ้าตีหนึ่งตีสองลูกเดินจู ก, กลมแล้วอืมแม่ก็อัศจรรย์ว้าลูกกูเป็นอะไรเนอ ตื่มาเห็นแต่สร้างจังหวะลูกเป็นอะไรมาเนี่ยนี่เขาเรียกว่าสร้างจังหวะคุณแม่นั่งลงกําหนดรู้ดิอยากพ้นทุกไหมนี่นะสอนดิบสอนดีได้วันหนึ่งเท่านั้นะอีกวันที่สองมาแม่ได้ปลูกเอาโอ้ยอันนี้ก็เกินไปนะคือต้องขยันให้มันสม่ำเสมออใ น, นพอลดพอละพอเลิกก็เลิกเสื้อผ้าก็อย่าใส่หลายอันนั้นอันนี้ก็ เอามันพอดีเอาไปบริจาคบ้างแค่ห่อหุ้มร่างกายเนี่ยไม่เท่าไหร่นะนี่มันไม่มีอะไรเท่าไหร่นะหลวงปู่หันหนามาทั้งยุ่มปิดในเบิงไง ใ, นในอีได้รับนี่เบิ้งห้เนี่ยถ้าเราเป็นนี้มันก็สบายชีวิตเราสังเกตเอออันนั้นกันเลอกเคยกินเคยเที่ยวเคยดื่มโลดซ่าอันไปเที่ยวเมืองนอก เมืองนอกตกปีเป็นเมืองนอกเมืองนอกอยู่นั่นนะโอ้ยเอาเงินไปเมืองนอกมาให้ดวงตาเลี้ยงคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเอา้าวิธีการเราเนี่ยคอสนี้เสียไปประมาณสักสองมืนห้าเนี่ยนะค่ากับข้าวเนี่ยแม่ครัวนี่คือไม่ได้จ้างอยู่แล้วห้าคนหกคนเนี่ยไม่ได้จ้างไม่จี้นี่ไม่ไ้ทำกลัวเขาเมื่อย ลงตาเชื่อนะจะหายงมงายหลายคนอยู่มีสติขึ้นกลับไปใช้ชีวิตเลิกลดอันเก่าเนี่ยได้เยอะอยู่เยอะกว่าบริษัทห้างร้านที่ลงทุนเป็นแสนไปเช่ารีสอร์ททำเวิร์กช็อปทำนั่นทำนี่นะไม่ได้เสียเยอะนะเนี่ยแต่เชื่อเถอดดีขึ้นเยอะอยู่หรอเนี ang, ่ยรู้จักแนวทางรู้จากการใช้ชีวิตกลับไปได้สติได้อะไรดีกว่าที่จะไปเที่ยวเมืองนอกไป ăm, ôn, ทานนทํานี่หรือไป อบรมตามดีสอดตามโรงแรมรู้หรูห้าดาวหกดาวแต่คนมันไม่อยากลงทุนในการฝึกฝนจิตตัวเองเพราะมันไม่สนุกสนานแล้วมันไม่มีค่าหัวค่าหางต้องได้ค่าอยู่ค่ากินค่าโปรงโปรเซ็นอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่ทำไงคนจะเห็นตัวเองเท่านั้นเองแต่นี้มันไม่ได้เห็นตัวเองเห็นตามเห็นตามที่เราพูด มันก็ไม่ได้ทีนี้เขามาเฝ้าดูตัวเองพอพูดปุ๊บก็ไปทําำไปทําไปทําไปทํามันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาสนุกปฏิบัติธรรมถ้าทําเป็นเพราะเราเป็นผู้ชนะไงชนะชิตังเมชนะแล้วชนะตัวเองนะจิตังเมชนะแล้วพอเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าสุดปุ๊บมันก็หายวับไปมันก็ไม่มีมันก็มีโอ้ชีวิตนึกแค่นี้เนาะเป็นอนาตตาเวลาที่เหลือก็ทําเพื่อคนอื่นดิชีวิตเนี่ยทําเพื่อคนอื่น แบ่งเฉลีย่ยแบ่งปันให้กับคนอื่นชีวิตที่มีความสุขเห็นไหมหนักการศึกษาทั้งโลกเนี่ยเราเห็นคนไหนสงบสงี่ยมคนไหนอะไรดีเข้าใจชีวิตจริงๆริงเขามีความสุขเราเอาเขาเป็นตัวอย่างนะแต่บางคนคิดได้แต่ทําไม่เป็นไม่เรียกว่าคือไม่ได้รับผลผลที่ความคิดที่คิดขึ้นมาเนี่ยนนะไม่ได้แต่พุทธศาสนาวิ ช, ชามันมาคู่กับจรณะจรณะความสุข คู่กับความรู้ความรู้คู่ความสุขนะเนี้ยมิจฉาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกบิทูนี่มันมาด้วยกันนะมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังนั้นปฏิบัติธรรมคุณธรรมทั้งหลายจ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นได้ด้วยกันมันสังเกตตรวจสอบสังเกตแล้วก็ทำให้มันมีกำลังขึ้นเยอะๆเะขาเรียกว่าพละ ธรรมะหรืออุปกรณ์อุปกรณ์ของเราเนี่ยมาขัดมาศีสะศรัทธาแต่ก่อนเคยศรัทธาแต่ต่อมาศรัทธาขึ้นสนิมก็ขัดใหม่ถูใหม่อาจจะในงั้นอย่างนีง้บางหลายหลายคนโวหลวงตาโยมไม่เคยศรัทธาพระที่วัดไหนนะแต่มาเห็นพระวันนี้เอา้าท่านเรียบร้อยดีงามเนาะท่านเดินจุกกมท่านนี้ก็เกิดศรัทธาเออศรัทธามันขึ้นสนิมที่ผ่านมาไม่แน่นะโยมตอนนี้ก็ยังเป็นอนิจจังอยู่นะ ไม่แน่บางทีเดี๋ยวก็หงุดหงิดติดอารมณ์อีกละโยมเดินจุกข์ไปเดินทุกข์กกมาเห็นพระง่วงก็เอาอย่ากูมไม่ศรัทธาอีกเลยทีเนี่ยสู้กูก็ไม่ได้อีกแล้วเอา้าท่านก็เป็นสังขารเนาะเป็นร่างกายสังขารมันมีความอ่อนความเบียความเมื่อยสักน้อยแต่ความง่วงเนี่ยมันไม่ออกง่ายเท่าไหรนะมันยังจะติดไปติดไปเรื่อยๆนูๆ่ น, นละ่ะใกล้หมดทุกข์แล้วนะใกล้สิ้นอาสวะธรรมแล้วนะความง่วงถึงจะหายหมด ใหม่ๆก็เป็นธรรมดาแต่ว่าที่ไม่ง่วงเนี่ยท่านก็ไม่ทุกนะไม่ง่วงที่ที่ง่วงบ้างเนี่ยแต่ก็ไม่โกรธไม่โกรธไม่หลงไม่งุนงิดไม่ละอายไม่อะไรนะมันปกติบางทีนี่คือคุณธรรมถ้ารู้อันนี้แล้วแต่อันนี้ยังไม่รู้รู้อันนี้แล้วอันนี้ก็ค่อยๆลดลงนีนนี้ค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงมันมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันนะทำให้เยอะๆเถอะ เราลึกรู้เยอะๆไม่ต้องรู้อะไรไม่ต้องรู้อะไรรู้แต่รู้สึกตัวเนี่ยรู้ไปที่นรู้สึกอยู่กับกายมันก็จะเห็นจิตเพราะจิตมันทางเข้ามันอยู่ตัวนี้มันวิ่งเข้าวิ่งออกในนี้มันวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ในกายนี่เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันไปถ้าเรารู้สึกอยู่ในนี้เหมือนเราเฝ้าบ้านนะใครเข้ามาในบ้านเรารู้สติเหมือนนายเฝ้าประตูในทวานบานเฝ้าดูเหมือนเสือคอยตะคุบจับเหยื่อพวกนี้ยอืม เราก็จะเห็นน่ะเมฆมันลอยไปลอยมาเดี๋ยวมันจางเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันไปแล้วจะเห็นมันน่ะมันเข้ามาในนี่เราดูออกโอ้เป็นอย่างงี้เนาะถ้าเฝ้าอยู่ในบ้านมันจะเป็นอะไรมันก็เห็นดิเล่นไวแต่เราหลับอยู่ในบ้านที่ว่าทําสมถะนะอยู่ในบ้านก็หลับหลับสักก็ไม่เห็นความคิดวิ่งเข้าวิ่งออก ไม่เห็นความปรุงแต่งไม่เห็นความโลภความโกรธความรุค ม, ค ว, มความสงบสงัดอะไรไม่เห็นมันนะศีล ส, สมาธิปัญญาอะไรเกิดก็ไม่มันเป็นการไปไปนั่งพักผ่อนซะพักผ่อนสักน้อยพอเสร็จวิ้งก็ตื่นก็่อยังชั่วหน่อยก็ยดีก็ไปทํางานพอมีกําลังพอหลับในสารเอโนโนฟินก้นหลังน้อยน้อยนั่นก็พอได้นะแต่ไม่ไม่ใช่การเห็นแจ้งไงสารเอโนโฟินหลังนี่ก็คือมันก็เป็นธรรมชาติมันนะมันปรับความสมดุลของความคิด นะมันคิดมากมันก็เริ่มมีอันนี้หลังก็มีความสุขบ้างตำหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนาะแต่นี่มันจะหลังเยอะพ้าสติมีเนี่ยหลังเป็นลถ ด, ดับเพลิงนู่นเนี่ยสร้างจังหวะใช่ไหมคือสติมันมีมากมีมากขึ้นเป็นสมาธิมีมากคือมันเห็นความความเป็นจริงที่มันไม่ปรุงไม่แต่งไม่ใช่หลังนู่นหลังนี่แต่มันแจ้งมันเข้าใจมันทราบซึ้งอยู่แบบนี้ อยากให้มันมีมันเป็นญาติโยมทั้งหลายเอย๋ยนะแล้วเราจะเผยแผ่ไม่เผยแพ่ก็เรื่องของเราอะแต่เชื่อเถอะถ้าเราดีนี่เราไปอยู่บ้านเราไม่อยากเผยแผ่แต่เราเป็นคนดีเริ่มลดละอันนั้นนี้ได้อันนั้นก็ดีขึ้นนี้ก็ดีขึ้นนะพ่อแม่เขาดูออกอะดีขึ้นเนาะไปทําอะไรมาเนาะนี่การเผยแผ่ไม่ใช่พูดในฝั่งแต่ทําให้ดูทําให้ดูไม่พออยู่ให้เห็นเนี่ย เราอยู่เห้เห็นแล้วเขาก็เห็นเราเราดีเดยวเขาก็ทำเอาตามนี่วิศวกรจากอุบวนบราชธานีพร้อมติดยาติดอะไรามาครั้งก่อนครั้งนี้ไม่ได้มาฝากตังมาร่วมทำบุญสร้างโรงพยาบาลออมีคนฝากเขาเขาฝากคนมาก็ถามว่าจำขอได้เขาเล่าให้ฟังว่า ปวัตเขาเป็นโน่นนี้เนี่ยตอนนี้เขาไม่เป็นแล้วตั้งแต่เขากลับไปเขาเป็นคนใหม่เลยเขามีสติเขาฝึกฝนสติเขานะเขารู้จักตัวเองเขาไม่กินเหล้าะเขาไม่ผอมไม่อะไรเหมือนเมื่อเดิมเหมือนเมื่อก่อนละเงินทองก็เหลือให้แม่ให้อะไรแล้วเดียวเนี่ยสร้างฐานะทางบ้านแต่ยังไม่แต่งงานเขาดีใจว่าชีวิตเขานี่เขาหลงไปเกือบนะเกือบกูไม่ขับ เขาไปนะีเดี๋ยวนี้ไปกับพวกกินเหล้าแต่เขาไม่กินเหล้าก็บอกไม่กินเหลนะ้านะสักพักเขาก็รู้หรอกว่าเราไม่กินไม่ใหม่เขาก็คุมกินแ่ะแต่ต่อมาก็ธรรมดาธรรมดาเห็นไหมมันเข้มแข็งอะ่ะจะฝึกเป็นคนดีซะหน่อยถ้าเราฝึกผ่านดานันเขาเคยเป็นคนช่วยแล้วเนี่ยมันดึงออกออกมายากนะไปทํางานอยู่กับเจ้านายยะงทำไมไมึงไม่กิ น, นเหล้าเนี่ยเฮ้ยผมไม่กินผมรักษาศีลศีลนะมึงจะแนะ่ขนาดไหนอ่ะ เอา้านี่เหล่านอก้ะเนี่ยมันก็มองดูนะี่หอมลูล่าวไปล้นเอาเราเพราะผมไม่กินเลยครับเจ้านายเนะกินหรือไม่กินเจ้านายก็กดหัวลงแล้วก็เอาเหล่านอกนั้นเทราดหัวมึงจะกินหรือไม่กินฝืนมากนะเนี่ยถ้าไม่เข้มแข็ง <c oughs> กินง่ายกว่าเขาลดราดกูนะเนี่ยอันนี้แกไม่กินเลยแกว่าโดนลาดหัวไม่รู้กี่รอบทั้งเพื่อนทั้งอะไร ทนเราเกว่าเราจะทํางานเขาอย่างน้อยๆผมคิดอยู่ในใจว่าผมกําลังเผยแผ่ธรรมะผมกําลังเผยแผ่ธรรมะเผยแผ่ธรรมะเราต้องไม่แพ้อารมณ์ไม่แพ้อารมณ์เขาต้องเห็นว่าเราเข้มแข็งขึ้นต้องเห็นว่าเราเข้มแข็งขึ้นปฏิบัติธรรมาเราเลิศเราลดละได้ยริงที่สุดก็คือผมทําเพื่อชีวิตตัวเองเพื่อชีวิตตัวเองเพื่อพ่อแม่เพื่อสังคมเพื่อกูบาจารย์ทุกอย่างพอยามอย่างนี้กําลังใจมันมาเขาลาดน้ําใส่หัวผมผมยิ้มแกบอก แล้ที่จริงแกบอกมองเห็นเจ้านายนี่เท่ากับหมดนะเท่ากับหิ่งห้อยนะเพราะตัวแกไม่แข็งแรงเท่าไหร่อ่แต่ก็เป็นคนขี้เหล่าเหมือนกันะลุกขึ้นนี่กูก็แทกหน้ามันเลตายพอดีเนี่ยนี่บอกแต่เขารู้สึกว่ายิ้มยิ้มเอา้ามันจะลดได้เท่าไหร่มึงลดมึงก็เสียเงินแล้ ว, วะเนี่ยเอา้าลดเสียเงินเนีนะเสียเงินซื้อเหล้านอกมันลดหัวกูเนี่ยอื วันวันหนึ่งก็มากับภูมิใจวันนี้หัวเอ้ยมึงจะได้หัวเรานอกรถเลยนเนาะแกว่ามันก็เลยเหมือนกับอะไรเป็นเหตุผลที่สนุกสนานไปในตัวไม่เป็นอา้าวลินให้เจ้านายอะไรบ้างได้รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เขาว่าเขาเรียกมหามหามาลีเราเอ้ ย, อ ย, อยเยราจะผิดศีลนั่นแนหะให้มหาเขาอยู่ว่างๆเถอะอะมหาก็จะเดินโยกกลมแหละที่เนี้ย เดินที่กรมเล่นๆครับครับจะนายนเอาไปมาเดี๋ยวนี้มีพิธีกรรมในที่ทํางานที่อะไรเอามาอาลาธนาทำดิผมก็เลยต้องเปิดหาอ่านทัน้นต้องท่องไว้นะแกบอกแต่เห็นไหมเอาไปมาพอเขาเรียกมาห่มมาหาเนี่มันเหมือนมียี่ห้อไปจําตัวนะจะ ก, กินเหล้าเมายากอเขาไม่ได้นะทีนี้ไดซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราปรารถนาอยู่แล้วแกก็เลยดีขึ้นนะดีขึ้นนะฝากเงินมาทําบุญตั้ง เท่าไหร่สองร้อยดะวยนะอา้าแต่ก่อนก็ยังไม่ได้กับเขานะใช่ไหมได้ยินข่าวเขาเขียนจดหมายได้ยิยนข่าวว่าลงตาสร้างลงพยาบาลอะไรประมาณนั้นก็ยังดีนะดีนะปกติก็ยังไม่ได้อนะ่ะนี่เขาเริ่มเป็นคนดีขึ้นแล้วไม่แน่นะ้ปีหน้าอาจจะเป็นหมื่นก็ได้นะนะมาช่วยกันสร้างสร้างให้คนในสังคมนี้ถ้ามีคนดีแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วจะเป็นยังไง สังคมมันไม่สงบสุขหรือเฮ้ยมันก็สงบดิสมมติเราผิดออกไปสองร้อยเนี่ยร้อยห้าสิบสอง้อยปุ๊บออกไปประจําอยู่กับสังคมที่โน้นี่นี่ก็สงบสงัดสบายอย่างน้อยพวกผู้ชายนี่ก็อ่เล่าก็ขาดเงินเขาไประดับนึ่างะเนี่ยไม่กินเหล้าไม่เมายาไม่ดูไม่เลี้ยงไม่เที่ยวไม่เต่กลับไปชีวิตเขาต้องเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้แต่รู้สึกว่าเออสติมันไม่ถ้าเกิดปัญหากับชีวิตเขาเขาจะต้องดึงสติมาใช้เพราะถ้าสมมติวเขาอยู่ถึง แปสิบปีเก้าสิบปีเนี่ยแน่นอนน่ะพุกจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะแล้วเขาจะแก้ด้วยทรัพย์สมบัติไม่ได้ชีวิตเนี่ยมันต้องดึงสติมาใช้อยู่บ้านคนเดียวก็ต้องรู้สึกตัวเดี๋ยวก็มีครอบมีครัวแล้วเนี่ยถ้ามีครอบมีครัวพูดกับลูกกับภรรยาสามีเอามีปัญหานะมันก็ต้องไปที่ปัญหาเดิมคืออะไรมันอยู่ที่ใจอะ่ะทาใจบ้างเถินน้องเอ้ยทําใจบ้างเธอแล้วก็เอาไปมา มาพี่สอนให้วะวิธีนะทําใจนะมาดีเขาคุรู้สึกว่าถ้าอยู่ใกล้พี่อยู่ใกล้น้องรู้สึกมีความสุขเนาะเหมือนเป็นคนเย็นน่ะสงบใครก็อยากอยู่ด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่ฝึกไม่หัดก็ลําบากเอาพูดต่อท้ายาศาสนาพุทธจะตั้งมั่นอยู่ได้ไม่ได้ด้วยเหตุท่าประการคําสอนของพุทธเจ้าจะอยู่ได้ไม่ได้เนี่ยด้วยเหตุท่าประการหนึง ไม่มีความเค า, ารพศาสนานี้เสื่อมนะหนึ่งไม่มีความเคารพในพระพุทธในศาสดาในพระพุทธเจ้านะเราไม่เชื่อสองไม่เคารพในพระธรรมสามไม่เคารพในพระสงฆ์ไม่เคารพในพระธรรมตรัยสี่ ไม่เคารพในการศึกษาไม่เคารพในไตรสิขาห้าเราไม่เคารพในเพื่อนพรหมจรรย์ที่ปฏิบัติด้วยกันนี่ศาสนาเสื่อมแล้วนะถ้าเคารพก็ปฏิบัติตามหน้าที่ที่พึงมีต่อสิ่งนั้นปฏิบัติต่อระศาอย่างไง ปฏิบัติต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไงปฏิบัติต่อการศึกษาแบบต่อใจลักนี่ยังไงอ่ะปฏิบัติต่อเพื่อนพรหมจันทร์นี่ยังไงอย่างเรามาปฏิบัติรรมก็ได้สักพักได้สักครู่ได้อารมณ์บ้างอะไรบ้างอีกจังระยะหนึ่งก็งุนหงิดกับครูบาอาจารย์งุญญ่นหงิดกับพระสงฆ์อรค์เจ้าเพื่อนสาธรรมิกอยู่ด้วยกันคุณจะทำมันจะเสื่อมทันทีนะมันเสื่อมลงเสื่อมลงทันทีอ่ะ เลิกดีกว่าไม่ปฏิบัติดีกว่าวะอะไรประมาณเนี้งุนหิตรังเกียดคนโน้นโคนนี้มันจะเสื่อมทันทีคนไหนงุนหิตกับเพื่อนผู้ปฏิบัติทําด้วยกันจะเสื่อมจากพระสัตวรทำเหมือนฟ้ากับดินมันไกลกันคุณธรรมของคนพาลกับบัณฑิตี่ยต่างกันนะต่างกันเราฟ้ากับดิน คนมีสติกับคนมีความคิดมันต่างกันนะดังนั้นเวลาเราเป็นนักปฏิบัติธรรมถ้าอยากให้มันเจริญเอา่าระวังมันจะ ง, งุนหิดกับคนโน้นคนนี้อย่าไปงุนหิดมันเรามาฝึกแล้วเอางุนหิดที่เป็นบทเรียนนะนี่ไอตัวงุนหิดมันขึ้นมาอีกแล้วเราก็แก้ไขตัวงุนหิดซะให้มันกลับมาปกตินะตัวความคิดความหวังดับให้กลับมาปกติกลับมาปกติอย่างเงี้ยจะได้ไประโยชน์ ประโยชน์ยังไงประโยชน์อย่างยิ่งคือได้นิพพานนั่นแหละคนไหนไปปฏิบัติธรรมลงตาก็อยากให้ส่งเสริมเขาให้โอกาสเขาหน่อยให้โอกาสเราจะเลี้ยงคนเหมือนเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาก็ไม่ไหวอ่ะเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาคือเลี้ยงเอาแรงมันถ้าเลี้ยงมนุษย์เอาแต่แรงมันเนี่ยค ง, คงไม่ได้นะมนุษย์มันมีอารมณ์มีความต้องการแล้วมีมีภาวะ ที่เขาต้องเข้าถึงหน้าที่ของชีวิตเขาต้องเข้าถึงคือสัจธรรมเนี่ยมันมีอยู่ก็ให้โอกาสเข้าไปมีลูกน้องไงลูกน้องไปปฏิบัติธรรมนะให้โอกาสลูกน้องทํางานด้วยกันไปไม่ไปฝึกปฏิบัติธรรมไหมพาเข้าไปเพราะคนนี้มันมีจิตใจด้วยมันไม่ใช่มีแต่สัญชตาตญาณนะแต่ฝึกหัดดัดนิสัยจิตใจเจ่มใสผ่องใสขึ้นมาทีนี้มันก็เกือก้อกูลกับการกับงานนะ จะมีความสุขนะแต่บางคนเห็นมากกว่านั้นอะลาไปเลยฝึกฝนเอาจริงเอาจังอยากทําหน้าที่อันนี้มันดีที่สุดทําหน้าที่สมมุติมาระดับหนึ่งแล้วเราไปําหน้าที่แบบประมัดดูที่นะทําหน้าที่ของความเป็นคนจริงๆที่เกิดมาเพื่อจะออกจากทุกข์จริงๆริงที่อา้าคนนี้มันอิ่มโลกแล้วก็ปล่อยเข้าไปทําเต็มที่นะจะบวชจะอะไรต่างๆปฏิบัติทำนะก็พัฒนาไปให้มันถึงที่สุดของทุกข์ซะ แต่ถ้ายังมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่ก็ได้คนมีสติมาช่วยเราทํางานอย่างในวัดในวาเนี่ยเอาคนไั้นเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์คนนั้นช่วยงานช่วยงานนะตามเหตุปัจจัยเอ่ะมันไม่มีคนช่วยงานจบจบไม่มีเลิกนั่นเองไม่มีอะไรสัจจะมันก็เป็นแบบนั้นนะนนตั้งออกตั้งใจนะยนยอย่าโยมเอ๋ยชีวิตนี่ท่านเองเป็นคนลิขิต ท่านเองเป็นคนที่คิดไม่ใช่ใครเราลี้ิดชีวิตตัวเองอินพรมยมยักษ์ที่ไหนดวงดาวอะไรไม่ใช่จะมาลี้คิดเราพ่อแม่ลี้ิดเราไม่ได้ความโลภโกรธหลงรักโลภโกรธหลงสุญญาตาอนันตาเราลี้คิดเราเองสุดท้ายว่าเราเลือกเกิดเองได้ตัวเราเองนี่เลือกที่จะเกิดได้อยากเกิดอะไรลหร ว, วันนี้อยากเกิดสุขก็ทําทเป็นอยากให้มันเป็นทุกข์ก็ได้อยากง่วงอยากงเอาอยากเบื่ออย่างไง อยากไปเป็นอะไรอ่ะเราเลือกเอาเองได้นะอยากไปสวรรค์ก็ได้อยากไปนิพพานก็ได้ถ้าไม่ฝืนไม่หัดลงนรกลูกเดียวในชีวิตเนี่ยเปตอสุลกายสัตว์ดิบฉานมานพรมอริยะเราเลือกเองเป็นนั้นคนปฏิบัติธรรมเลือกเกิดเองได้อยากให้มีให้เป็น อยาให้ฝอนไฟฝักไฟศึกษาแสวงหาอย่าหลงทางนานอย่ามวัวตะกินหมากหว่ามันเสีข่าสาคำทางอย่ามวัวเพลิดเพลินกับการมคุณนักเลยถ้าไหลอยกกามคุณมากโอ้ยมันช้าคำทางเหาทางเนี่ยยังอีกไกลมากหนทางที่เดินเข้าหาตัวเองคือหนทางที่ไกลที่สุดสำหรับมนุษย์นะ อยากเป็นอยากอนาณีความหวังในทำตามไม่ยากนะแต่เดินเข้าหาตัวเองเนี่ยเดินไปสู่พื้นที่ของความว่างเนี่ยมันยากมากไม่ใช่ง่ายวันนี้วันสุดท้ายเก็บอารมณ์คาว่าเก็บอารมณ์คือเก็บสติบ่มนั่นเองนลยอย่าเปิดฝาบ่อยนะอย่าเปิดฝาเก็บบ่มบ่มจนมันสุกแลวนะบ่มมาเต็มที่บางคนโอ้ยบ่มจนจะน่าอยู่แล้ว มันไม่แน่ว่ามันเปิดบ่อยเกินเปิดไปเกินไปคิดบ่อยคิดทีไรคือเปิดทุกเรียคิดไปอดีตไปอนคาคตเปิดอีแล้วเปิดแล้วแต่ที่จะบ่มอย่าให้มันออกไปกดมันไว้นนั้นใส่สติอบรมมันไว้เห็นมันปุ๊บมันก็รู้สึกตัวรู้สึกตั ว, ตวอย่างเรื่อยๆสลายอยู่นี่เองตัวตนมันไม่เกิดเดี๋ยวก็อืมว่างสงบเยือกเย็นเป็นนิพานเอาอนุโมทนานะ